ก, การบรรลุการครับพระอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมต้องขอาอาภัยที่วันนี้เข้ามาล่าช้าไปหนึ่งนาทีเพราะว่ามีเทคนิคอาเออร์เลอร์นิดหน่อยครับก็บการบรรลุการพระอาจารย์ครับเจรัญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านรราครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิจารณธรรมครัร้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเมื่อเช้าพระอาจารย์ใบบินธบดีคนเยอะไหมครับผมวันนี้ฝนตกก็เลยไม่มากประมาณสามร้อยห้าสิบ สามร้อยสี่สิบ้าห้าสิบห้าเลยสามร้อยห้าครับแล้วมีทางบ้านนีกสองร้อยประมาณนั้นแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงทอดกรถินด้วยคนก็จะสาวทิดก็จะไปทอดกรถิ่นกันตามวัดต่งตางๆก็อจะลดลงลดลงหน่อยครั บ, รบท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมปนแปลกๆนิด น, นึงนะครับเพราะว่าวันนี้เราถ่ายทอดด้วยมือถือนะครับ พระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งชื่อหัวข้อว่าหลักกรรมที่ชาวพุทธคนรู้มันต่อเนื่องจากครั้งก่อนครับพระอาจารย์ครับ ว, ว่าเรื่องกรรมเนี่ยมันซับซ้อนเหลือเกินวันนี้ก็เลยอยากกลับไปถามพระ อ, อาจารย์เพิ่มเติมว่าแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้ควรจะปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างครับกับมิพลครับพระอาจารย์ครับคือเราไม่มียานวิเศษเหมือนพระพุทธเจ้าที่จะไปรู้เรื่องกรรมกับวิบากในทุกขั้นตอนอะไรท่านก็เลยให้เรารู้เพียงแบบสังเกต ว่าให้รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำกรรมแล้วก็ใครเป็นผู้รับผลของกรรมนก็คือใครก็เป็นใครเป็นผู้กระทาําผู้นั้นก็เป็นผู้รับผลของกรรมผู้ที่กระทาก็คือใจท่านรู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือฉะงนั้นผลของบุญหรือผลของบาปผลของกรรมนี้ไม่ไปตกที่ร่างกายมันตกที่ใจ ทำบุญก็จะได้รับความสุขใจรับความเจริญทางด้านจิตใจคือจิตใจก็จะยกระดับจากมนุษย์ไปเป็นเทศเป็นพรหมเป็นอริยบุคคลอันนี้คือใจเป็นผู้กระทำและใจเป็นผู้รับผลในทางตรงกันข้ามถ้าทำบาปใจก็จะทุกข์แล้วก็ไทยใจก็จะต่าลงจากมนุษย์ไปเป็นเดระชานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรก อันนี้แหละเป็นเป็นตัวที่เราควรจะมองที่ที่มันชัดเจนที่สุดถ้าเราไปมองที่ร่างกายนี้มันเป็นร่างกายเป็นเพลงแต่เป็นเครื่องมือซึ่งอาจจะรับผลบ้างหรือไม่รับผลบ้างก็มันมีมันมีปัจจัยตัวแปรอย่างอื่นด้วยที่มันกระทบก่บร่างกายไม่ใช่แต่บุญหรือ บ, บาป ท, ที่เราทํเท่านั้นเองเพราะว่าร่างกายอยู่ในโลกของตายรับของของอนิจจ์ของของอนัตตาอนัตตาก็คือเป็น โลกของภาวะธรรมชาติสภาวะธรรมไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีตัวมีตนเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราจะไปไปไปไปคอยไล่ตามได้ว่าเหตุ น, นี้ทำให้ฝนตกเหตุ น, นั้นทำให้ฝนไม่ตกตกตรงนั้นตกตรงนี้อะไรนีมันมีมันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่ถึงวมาจะเป็นพยาการณ์ทาง ทางผู้ชำ ง, งานทางพยากรณ์ทา ง, งดินฟา้าอากาศก็ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซนเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องมีตัวแปรหลายอย่างวยกันที่เราอาจจะมองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างดงนั้นผลที่จะมากระทบกับร่างกายเรเนี้ยมันนอกจากบุญจากบาป ท, ที่เราทำนะมันยังอาจจะมีอย่างอื่นสภาวะธรรมทางธรรมชาติ ฝนตกแดดออกน้ำท่วมเนี่นมนันก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตเราได้เหมือนกันดังนั้นอย่าไปมองที่ร่างกายเพราะถ้าเรามองที่ร่างกายแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงเพราะเราเห็นว่าคนทําบาปคนทําชั่วแล้วได้ดีก็มีเยอะแยะไปแต่เราก็ไม่มองว่าคนที่ทําชั่วทุ ก, ก, นกนคนแล้วจะได้ดีได้ดีก็ไม่ใช่อย่างนั้น และคนดีแล้วไม่ได้ดีดได้ดีก็มีเยอะแยะไปและคนที่ดีแล้วทำดีแล้วได้ดีก็มีเยอะแยะไปเหมือนกันถ้ามองแบบกว้างๆทางด้านของร่างกายนี้มันเป็นเรื่องของภาวะที่มันมีเหตุมีปัจจัยหลายหลายหลา ย, หลายด้านหลายตัวด้วยกันมีตัวแปรหลายตัวยัเราไม่สามารถจะเอาตัวบุญตัวบาสมาเป็นตัวตัดสินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายได้ แตตัวที่ตัดสินตัวบุญตัวบาสนั่นก็คือใจไม่มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นให้มาเกี่ยวข้องเลยไม่มีตัวแปรอย่างอื่นเลยที่ทําให้ใจทุกข์รู้สุกจากการกระทำบุญหรือทําบาปที่จะทําให้ใจเจริญหรือเสือ่อมก็จากการทําบุญทาําบาปดังนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจพุทธศาสนาเราเน้นเรื่องของจิตใจเรื่องร่างกายเราคิดว่ามันเป็นเพียงของชั่วคราวเป็นเครื่องมือ มันไม่ได้เป็นตัวที่รับผลบุญผลบาป ท, ที่แท้จริงตัวที่รับผลบุญผลบาปก็คือใจถ้าใจรักษาศีลได้ใจก็ไม่ไปอาบายปิดประตูอาบายได้ถ้าใจรักษาศีลและทําบุญทําทานก็ใจเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพถ้าใจไปปฏิบัติทําได้ถือศีลแปดปฏิบัติเนคข ม, ม่าได้เจริญสตินั่งสมาธิเข้าฌานได้ก็ไปเป็นพรหม แล้วถ้าเราเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเห็นนิสัยเห็นอริยสัจสี่เห็นตายนักก็สามารถที่จะไปเป็นพระอริยบุคคลไปในผ่านได้อันนี้แหละคือเรื่องกฎแห่งกรรมที่แท้จริงอยู่ที่ใจใจเป็นผู้กระทำทำดีทำชั่วนั่งที่บทบทที่ธรรมะสอนให้เราสวดอยู่เรื่อยๆคือเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะต้องไปพูดรับผลของกรรมนั้นเราก็คือใจแต่สายร่างกายเป็นเครื่องมือใช่เราเถ้าเราทําบุญเราก็ต้องใช้ร่างกายพาเราไปวัดไม่ใช้ร่างกายเราพาไปซื้อข้าวซื้อของไปช่วยเหลือคนนี้นคนนี้มันก็ต้องใช้ร่างกายแต่ร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองหมือนกับมีดเนี่ยมีดนี้เราเป็นเครื่องมือของคนคนเอาไปฆ่าคนด้วยมีดก็มี คนเราไปทําประโยชน์ด้วยมีดก็มีหมอผ่าตัดด้วยมีดนะเราไม่ได้ฆ่าคนรักษาโรคพยาบาลนัก ใ, ใครได้รับรางวัลแล้วใครได้รับตำแหน่งจากการใช้มีดไม่ใช่มีดนะแต่คนทํานั่นแหละคนเนี้ยมีดไปแทงคนตายก็ต้องไปติดคุกติดตารางคนที่ใช้มีดผ่าตัดรักษาโรคให้หายได้ก็ก็มีคนยกย่องสรรเสริญก็อบอกขอบใจแต่ผู้กระทา ก็เป็นลักษณะนี้นี้เปรียบเทียบร่างกายครับเวลาร่างกายใช้มีดร่างกายกับมีดใจก็ใจกับร่างกายก็เป็นแบบอย่างนั้นร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือร่างกายไม่ได้รับรางวีรางวันอะไรบางทีอาจจะได้รับบางทีอาจจะไม่ได้รับบางทีบางคนก็เห็นเราทําความดีแล้วก็ยินดีจะสนับสนุนก็อาจจะให้รางวีรางวัน บางทีเขามองไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาก็ไม่ได้ให้หลังวีหลังวันเราแต่ผลที่น่าชัดที่สุดก็เกิดขึ้นที่ใจทุกครั้งที่เราทำความดีใจเรามีความสุขทุกครั้งที่เราทํำบาปใจเราจะมีความทุกทุกครั้งที่เรามีความโลภโกรธหลงใจเราก็จะทุกถ้ามีติเลสอันนี้ก็คือสรุปเรื่องง่ายๆของกฎแห่งกรรม ให้ดูที่ใจใซึ่งดูยากหัวาใจมันเป็นของที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็จะมองไปที่ร่างกายกันทุกคนเติบก็คือทำกรรมดีไว้จิตใจก็จะดีประมาณนี้ที่เราควรรู้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทำเดี๋ยวนี้จิตใจให้มีความสุขทันทีลองโอจากเงินให้กับอุ์กรไหนทักที่ทกอย่างตอนนี้โอนเงินไปเลยมีมีเครื่องวาดเครื่องเบอ อาจารย์ทีอาจารย์ยังมีความสุขไหมป่าวป่านนี้ก็ทํากริ่นกันทั่วเลยครับรอาจารย์อไปร่วมวัดไหนก็ได้อยากจะโอนเข้าบัญชีไในเปิดดูบัญชีวัดไหนเขามีหมายเลขกล็รับโอนเข้าไปเลยโอนพวกใจก็มีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเลยครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ผมเห็นใครๆก็ไปกริ่นกันหมดเลยครับ อืคนน้อยวันนี้คนจะเข้ามาน้อยเมื่อเช้าเป<ม>็นดับบายก็น้อยกว่าปกติธรรมดาต้องสี่ร้อยกว่าวันนี้ลดลงมาประมาณน้อยคนครับแล้วตอนตบ่ายไปฟังเทศเดียวไหมครับอาจารย์ก็ก็น้อยหน่อยร้อยหกสิบธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็ต้องสองร้อยไปประมาณสองร้อยอันนี้ก็ช่วงนี้ก็เหมืน 160, อนร้อยหกสิบเมื่อวานนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบ แสดงว่ากระจายไปหลายๆวัดครับอาจารย์ครับใ้่เขาตอนนี้ส่วนวัดส่วนใหญ่ก็จะงานกระถินในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพราะเป็นวันที่ญาติโยมสะดวกที่จะไปทําบุญกันถ้าไปจัดวันธรรมดาก็ไม่มีใครไปครับเพราะต้องไปทํางานกันกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจากข่าวสารในปัจจุบันมีข่าวที่ลามไปถึงพระสงฆ์ทําให้สื่อหลายเจ้าทําข่าวที่ไม่เป็นความจริง ให้คนเข้าใจในตัวพระสงฆ์ผิดมีหลายคนด่าทอพระสงฆ์ออกมาอธิบายก็โดนแสะต่า ง, างๆคำถามคือเวรกรรมที่ด่าทอพระสงฆ์ให้รายพระสงฆ์ลบหลู่ศาสนาพุทธคืออะไรครับคือมันต้องดูก่อนว่าพระสงฆ์เราเป็นพระสงฆ์แท้หรือไม่ด้วยว่า <laughs> สมัยนี้เรามีสงเทียมมากกระาสองแท้เอาน่าให้เรา ม, มองว่าเขาอาจจะมีอคติกับ สงกัแล้วกันเขาอาจจะไม่ชอบศาสนาเขาไม่ชอบพวกที่บวชพอมีเหตุที่เขาสามารถที่จะโจมตีได้เขาก็จะโจมตีทันทีแสดงว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาถ้าคนนับถือพุทธศาสนาจริงถ้าเป็นคนผมพอ่อหนึพงของเราก็อย่างน้อยก็ต้องระวังว่าเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับท่านถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเราก็จะไม่กล้าพูด แม้กระทั่งมีข้อมูลที่ชัดเจนบางทีเราก็ไม่กล้าพูดเพราะเราด้วยความเกรงใจเคารพในพระอริยสงฆ์เกรงใจในพระพุทธเจ้าถือว่าพระที่กระทํานี้อาจจะเป็นพระปุถุชนพระที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะก็ตามแต่อย่างน้อยท่านก็มีเจตนาที่จะศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ได้เป็นพระอริยะต่อไปยิ่งถ้าเราถ้าเป็นชาวพูดจริงๆแล้วก็จะไม่ไม่กล้ามาวิพากวิจารณ์แบบปเปิดเผยอย่างจงแจ้ง แต่ จ, จะมีการนินการในในลักษณะที่อาภายในอาจจะไปปรึกษากับเพาะผู้ใหญ่หรืออะไรทํานองนี้ว่าเราจะทำเรจะทํายังไงกับปัญหาเหล่านี้<ม>ดีกว่ามานั่งโจมตีกันด่ากันว่ากันในในสื่อต่างๆมันเป็นความสนุกมันปากมันมือใช่มากกว่าแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมขามม่าวมันเป็นแบบแค่ชั่วแค่ เมื่อเมืม่ออาทิตย์แ้วก็ยังเกี่ยวกับหม อ, เ, อเกี่ยวกับเกี่ยวกับการขายออนไลน์อะไรเนี่ที่เป็นแม่อะไรเนี่ตอนนี้ก็เงียบไปละตอนนี้ก็อันนี้ก็คืนมาละเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมามันก็มันก็ไปไปตามกระแสอันนั้นเองแล้วมันก็ไม่มีอะไรกันทุกอย่างเกาเงียบหายไปเพราะฉะนั้นเรามันมันเป็นการบ่งบอกถึงคนว่าเขาเป็นคนแบบไห น, น ถ้าเขาไม่ชอบใครพอใครเพ่งภาพมีมีเป้ามีช่องให้เขาทำลายช่องให้เขาว่าได้เขาก็ว่า ท, ทันทีโดยไม่คิดถึงปัจจัยที่เขาสามารถอย่าไปเหยียบทับคนที่ล้มคนที่ล้มเขาก็พลาดได้คนเราอาจจะทำผิดพลาด้วยเจตนาแระไม่เจตนาก็ตามแต่เราไม่ควรที่ไปซ้ำเติมคนที่ล้ม มีคนถามว่าถ้าเราอยากจะไปทอดกระถินตักบาทเทโวแต่เราไม่ได้ไปเราควรทําเช่นไรครับถ้าถ้าถ้าทอดกรถินยังยังสามารถโ อ, อนเงินไปได้ถ้าเรารู้บัญชีหมายเลขของของวัดที่เขาจะไปทอดกรถินกันหรือถ้ามีคนเขาไปแล้วเขาเอาซองมาให้เราใส่แล้วก็ใส่ซองไปแทนก็ได้เราไม่ต้องไปเองก็ได้ การทำบุญนี้มันได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องไปอยู่ที่สถานที่นั้นอย่างเดียวที่จะทำบุญได้การทำบุญนี้หมายถึงการบริจาคทรัพย์ของเราให้กับประโยชน์สุขของผู้อื่นสมัยนี้เราก็มีวิธีการโอนทรัพย์ให้ได้อย่างสะดวกสบายอยู่บ้านเราก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของวัดได้ถ้าเราศรัทธาวัดไหนอยากจะโลมกฐินของวัด น, นั้นเราก็โอน เงินเข้าไปบัญชีนั้นก็ได้ถ้าเราไม่มีการโอนบนัญชีเรามีเพื่อนที่เขามีซองกระถิน่นหรือเราใส่เงินใส่ซองกระถิน่นเนาะเขียนชื่อวัดไปว่าฝากไปทําบุญด้วยเวลาคนที่เขาไปทําบุญก็เถิน่นวันไหนเราก็ฝากเข้าไปถ้าเราไปเองไม่ได้เราก็ยังได้ยังได้บุญอยู่เท่ากันคุณเพิ่มศักดิ์ครับอยากกราบหลวงพ่อวางอารมณ์อย่างไรเมื่อใกล้จะดับขันครับ วางไม่เฉยไไม่ไม่ไม่กลัวไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจากแต่ว่ารู้เฉยๆต้องฝึกจิตต้องฝึกสมาธิให้มากๆจิตจะถึงเป็นอุเบกขาถ้าเป็นอุเบกขาแล้วจิตก็จะวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราคําลัารู้ว่าร่างกายนี้กับเราเป็นคนละคนเราเป็นใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟ เราเป็นนายใจเป็นบ่าวใจเป็นนายก้างกายเป็นบ่าวท่านี้แหละทำใจให้วางเฉยให้ได้ในที่เรามาฝึกสตินั่งสมาธิกันกเพื่อให้เราเตรียมตัวไปทำข้อสอบต่อไปเวลาที่ร่างกายเราเจ็บเราตายเราจะได้ไม่ทุกข์ทรมานถ้าเราวางเฉยได้เป็นเพื่อนสามารถจะส่งคำถามได้นะครับ เราฝากเงินไปทําบุญเท่ากับเราไปทําเองเลยไหมครับเท่ากับเท่ากันคือบุญมีสองส่วนนะยเวลาทําบุญเนี่ยบุญที่กเกิดจากการเสียสละทรัพย์นี่ยอันหนึ่งแล้บุญที่เกิดจากความเพียรที่จะต้องเดินทางไปที่วัดถ้าเราไม่ได้ไปที่วัด น, นี่เราก็จะไม่ได้บุญส่วนที่ทําความเพียรมีคนอื่นมามาทําให้เราแทนแต่เราจะได้บุญที่เกิดจากการบริจาคทรัพย์เท่ากัน เท่ากับตัวเราไปเองหรือไม่ไปเองถ้าถ้าถ้าจํานวนของทรัพย์ที่เราบอยจาคเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันมันมัมันมีบุญสองอย่างในการทําบุญบุญที่เกิดจากการบรยจาคแล้วบุญที่เกิดจากการทําความเพียรเพื่อให้สําเร็จ บ, บุญที่เราต้องการจะทําบุญแต้มสีครับนิสัยไม่ดีที่เราทําบ่อยๆหรืออาชินกรรมเช่นชอบกัดเล็บ ตั้งแต่เด็กๆชอบดึงผมเวลาเครียจะแก้อย่างไรไม่ทําอีกครับก็อยากให้จิตไปยึดติดครับก็ต้องฝึกสติฮะให้รู้ตัวเวลาที่เราร่างกายเรากําลังทําใจเรากําลังคิดอะไรสั่งให้ล่างกายทําอะไรที่ตามไปนี้มันไม่มีสติใจไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้คอยดูว่าใจกําลังอยากจะทําอะไรขึ้นมาถ้าเราฝึกสติเมื่อพอคิดที่จะทําอะไรนี่เราจะรู้ทันที ถ้าเรารู้ว่ามไม่ดีเราก็สามารถยับยั้งมันได้งั้นพยายามฝึกสติให้มากเพรสติที่เราฝึกได้ทั้งวันทั้งคืนด้วยการคอยผูกใจไว้กับอารมณ์กรรมาฐานใดกรรมาฐานหนึ่งเช่นพุทธานุสติก็ผูกใจไว้กับพุโทโธพุโทโธไปนากายยักตาสติก็คอยเฝ้าดู ก, การกระทำของร่างกายอพอจะหยิบผดพื้นมะารู้แล้วนะกําลังจะไปไ ป, ไปดึงผมนะ เราจะเอาเล็บขึ้นมาจากกัดเล็บ ก, ก็รู้แนละ้วถ้าเรามีสติคอยดูกันกระทําของร่างกายต่างๆเพราะต้องฝึกสติส่วนใหญ่เราบางทีเราทําอะไรผ่านทางร่างกายโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วก็พราะเรากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่เําก็คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเครียดอยู่แล้วมือเราก็ไปไปจับผมบ้างไปกัดเล็บบนะ้างอันนี้เพราะเราใจไม่มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่เราไปอยู่กับเรื่องที่ทําให้เราเครียด ก็ต้องฝึกสติให้ใจเรามีที่ยึดไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดความเครียดต่างๆให้อยู่กับพุโทโธหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วต่อไปเวลาใจเราจะคิดจะทําอะไรเราจะรู้ทันทีว่ากําลังคิดจะทําอะไรแล้วเราก็จะถ้าเรามีปัญญาล้วนมันไม่ดีเราก็หยุดมันอันไหนที่มันดีแล้วก็ปล่อยมันทําไป การออกบวชต้องมีบุญบา ร, รมีเก่าด้วยใช่ไหมครับหรือเร่งทําในชาตินี้ได้เลยครับมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างบา ร, รมีเก่าก็ช่วยทําให้บวชให้มันมให้มีพลังแล้วก็บา ร, รมีใหม่ก็คือบางทีได้มาเจอคำสอนพ ร, ระเจ้าได้เพียงพังฟังเพียงคำสอนแค่สัน้นๆก็เกิดศรัทธาขึ้นมาก็ได้เพราะนี้นมันก็มีทั้งของเก่าและท่านของใหม่ถ้าไม่มีของเก่าก็ลออาศัยของใหม่ พยายาศึกษาธรรมะให้มากๆจนเกิดศรัทธาขึ้นมาคุณนานาครับหลังทําสมาธิเสร็จเราควรแผ่เมตตาทุกครั้งไหมครับแล้วพระอาจารย์พอมีคําแผ่เมตตาที่แผ่เมตตาเป็นประจําไหมโยมขอเป็นแนวทางในการแผ่เมตตาครับออการแผ่เมตตาเน้นต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันไม่ใช่ตอนที่เรานั่งไหวพ้พระสวดมนต์เช่นเจอใครก็ทักทายเขาสวัสดี สบายดีเลยหรือมีของเหลือกินแล้วก็มาฝากเขาของกินหรือบางทีเราได้ของมาเยอะมีคนเอาทุนลงทุ่เรียนผลไม้มาเยอะกินไม่กินไม่หมดก็เอาไปฝากคนนั้นฝากคนนี้อันนี้คือการแผ่เมตตาคือให้ความสุขกับผู้อื่นเป็นเมิตรกับผู้ส่วนการสวด น, นี้เป็นการศึกษาว่าความเมตตานี้มีอะไรบ้างก็มีอยู่สีลักษณะด้วยกันคือหนึ่ง ไม่จองเวรจองกรรมกันคือให้อภัยกันเวลาที่เกิดความโกรธกันขึ้นมาเวลาทําอะไรก็ไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายกับผู้อื่น <Yeah. S 1> แล้วก็ข้อที่สามก็คือไม่ทําร้าย่างกาจและจิตใจของผู้อื่น <Yeah. S 1> แล้วก็ข้อที่สี่ให้ความสุขกับผู้อ <Yeah. S 1> ื่นนี่คือบทส่วนแผนบทแผนไม่ตายปลแปลเป็นภาษาไทยภาษาบาลีก็คือเอาเวลาหุ่นโต เราอย่ามีเวณมีกรรมหลบใครอย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันอภัยาปัชฉาหุ่นตุอย่าเบียดเบียนกันอานิการหุ่นตุอย่าทำให้น้กายและจิตใจของกันและกันสุขียาตานังบริีหาลันตุขอให้ให้มอบความสุขให้กับกันและกันนี่คือคือลักษณะของการแผ่เมตตา การส่วนนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการศึกษาหรือเป็นการทบทวนเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องแผ่เมตตายอย่างไรเวลาที่เราไปเจอในเหตุการณ์จริงที่เวลาเราไปทํางานแล้วเกิดอาจจะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาคนหนึ่งทําให้เกิดความเสียหายเราก็อย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พูดคุยกันอาจจะต้องบอกเขาว่าก็ทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้นพูดได้ให้ก็ปรับปรุงแก้ไขได้ ให้อภัยกันไม่ถือโทษกวดเคลื่องกันอะไรทำลองนี้ต้องทําการแผ่เมตตาึต้องทําในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์กับบุคคลต่างๆหรือกับสัตว์ก็ดีสัตว์เดกระาชังก็แผ่เมตตาให้เขาได้ไปเจอสัตว์เห็นสุนัขมันจอมจัดไม่มีข้าวกินซื้อข้าวมาให้มันกิ น, กนอย่างนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาได้เหมือนกัน ไม่ใช่สวดเนี่ยไม่ใช่นั่งสมาธิก็สวดล้วไปการแผ่เมตตาชาวาพูดเราแปลกใ น, นเรื่องของเรื่องง่ายๆอย่างยังไปเข้าใจผิดอย่าเงีต้องนั่งสมาธิแต่ต้องแผ่เมตตากนะแผ่ด้วยอะไรเนะี่ยแผ่ด้วยความคิดเนะ่ยส่งกระแสจิตไปครอบจักรวาลหนะึ่งเนี่ยเหมือนกับเราเป็นสถานีสถา น, านีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศนนะ์ไดงสามารถแผ่กระจายไปทั่วไปหมดแล้วใครจะรับการแผ่เมตตาของเราไม่มีใครเขารู้ว่าเราแผ่เมตตากนะัน คุณแผเ่เมตตาตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคุณแผ่มาให้เรารอนอกจากถ้าเราเจอกันแล้วเ อ, อคุณทักทายเราสอนดีเป็นเมตรกันอย่างนี้อันนี้ เ, เป็นการแผเ่เมตตาขอให้เราเข้าใจการแผเ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวดขอถามครับเรื่องกิริยาของจิตเป็นเช่นไรครับคือกิริยานี้มันเป็นการกระทําที่ เป็นกลางกางกิริยาที่มีกิเลสผันดันก็มีกิริยาที่มีธรรมะผันดันก็มีกิริยาที่มีธรรมะผั น, นั้นก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครในบอนทีแสดงกิราการโกรธตำนนหนิตีเตียนคนนั้นคนนี้แต่ตำหดิด้วยธรรมอันนี้ไม่ได้มุ่งร้ายต้องการที่จะทํำดีเขาเพราะเราโกรธมีอารมณ์โกรธเขาแล้วเราไปไปด่าไปว่าเขาแต่เราเห็นว่าเขาทําผิด แล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องบอกเขาสั่งสอนเขาแล้วก็สอ่งสอนแล้วบางทีจะให้มันมีเป็นจริงเป็นจังมีน้ําหนักก็ต้องสแสดงกิริยาเกีก่ยวกับไม่ใช่พูดไม่เป็นไรอยากทาอีกนะอย่างนี้มันอาจจะไม่มันไม่เข็ดหรืต้องว่าเออทอํานี้ไม่ได้นะอย่างงู้นอย่างนี้ก็ต้องมีน้ําเสียงอย่างน้องตา ม, มาบูนฉันจะให้ความโกรธนีมน่มาคอยกำหลับความผิดของพระอยู่เรืย พราองคนี้ใช้ไม่ได้เลยเหนียวไหลอะไรอขี้เกียจไม่มีสติสตางค์อะไรไหวอย่างนี้ไปเลยอ้เ น, นี้ยมันถึงจะเข็ดหลามันถึงจะกลัวเขา้าใจไหมแต่ใจท่านไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความโกรธตามกิริยาของเขาจิต ท, ที่แสดงออกมาทางร่างกายเย่นพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่ท่านมีแสดงการโกรธได้พระพุทธเจ้าบางทีก็ตําหนิพระว่าพร ะ, ะนี่เธอโง่นะเธอไม่ฉลาดนะเธอทําทอย่างนี้ผิดนะ ก็มีครับโดนลงตาว่าอย่างนี้ทีเดียวได้สติเยอะเลยใช่ท่านจารย์แล้วท่านฉลาดวันนี้่านชอบว่าต่อหน้ายานอยู่อาจารย์เลยเคยเห็นครับเกิดในเทศท่านครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ ผลไม้ที่หล่นในวัดเช่นส้มจีด๊ดเก็บไปทานได้ไหมครับเป็นบาปไหมครับหรือต้องขออนุญาตใครอันนี้พูดถึงผลไม้ในวัดยานครับต้องขออนุ ญ, ญาตเจ้าของวัดเเจ้าวาดเป็นผู้รับผิดชอบหรือตัวแทนของเจ้าวาดถางเจ้าหน้าที่ทางวัดก่อนว่าของที่หล่นนี้ขอไปรับประทานได้หรือไม่ถ้าก็บอกเอาไปได้ก็ถือว่าทางวัดอนุ ญ, ญาต การทำบุญทอดกรถิ่นเราทำด้วยเงินและตั้งโรงทานด้วยอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับได้เท่ากันเนี่ยถ้าอยู่ที่เงินที่เราทำไปทำบุญน้อยบาทเราไปทำมุงทานน้อยบาทมันก็ได้บุญเท่ากันอยู่ที่จำนวนเงินที่เราบริจาคไปเสียไปขออนุ ญ, ญาตอ่านหาคำถามก่อนนะครับอาจารย์มีเพื่อนถามมีเพื่อนกราบสาธุพระอาจารย์มาเต็มเลยครับ ปีจอมันเล็กมันจะเลื่อนได้ทีละสีห้าอันครับอาจารย์ใช่ลำบากเข้าใจไม่เป็นไรใจเยน็นๆครับอันนี้สบายๆเราจะได้ไม่ต้องบมากไม่เนยคร <c oughs> <อ>ับาอาจารย์คุณวิไลครับถ้าเราไปตลาดสดกับผู้ชายที่เขามีภรรยายแล้วไปซื้อของแต่ภรรยายเขาไม่ทราบว่าสามีเขาไปกับเราจะขอสอบถามว่าผิดสีห้าหรือไม่ครับ ถ้ายังไม่ร่วมหลับนอนกันก็ยังไม่ผิดนะเราก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเนื่ ว, ว่าเราไปกับเขาเพื่ออะไรเพื่อไปร่วมหลับนอนกันอี่นี้มันก็ผิดนะถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการร่วมหลับนอนกันแต่ถ้าไปเพราะว่าอ้าวบางทีต้องไปซื้อของที่เดียวกันแนละ้วไปเจอกันนี้ก็ไม่ผิดถ้าไม่มีเจตนาว่าจะเป็นการกระทําเพื่อเพื่อชู้สาวอะไรทำนองนี้เพื่อเสพกลาม ถ้าเคยฝึกสมาธิมาติด อ, อยู่ในระดับหนึ่งที่ทิ้งคำบริกรรมไปแล้วเมื่อถึงจิตสุดท้ายจะไปสุขติไหมครับก็อยู่ที่ว่ารักษามันได้หรือเปล่าเพราะสมาธิถ้าเราฝึกแล้เราเราไม่รักษามันมันก็เสื่อมได้นถ้าเราเคยฝึกจิตให้นิ่งเฉยได้แล้ว็ต้องพยายามฝึกไปรักษาความนิ่งเฉยให้ได้แล้วก็ต้องไปทดสอบดูว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตที่อาจจะเข้า เข้าเข้าถึงชีวิตเราเนี่ยเรายังสามารถรักษาความนิ่งความสงบของใจได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ไปทดสอบเราก็จะไม่รู้เพราะว่าสนามจริงกับสนามสอบแล้สนามซ้อมกับสนามจริงนี่มันไม่เหมือนกันเราทําการบ้านนี่มันเหมือนทำสนามสนามซ้อมแต่เวลาไปเข้าห้องสอบจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะทำข้อสอบได้หรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่ามีข้อสอบข้อไหนที่เราจะต้องสอบบ้าง คุณแต้มสีครับถ้าสมมติเราเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่ตอนใกล้จะตายเราปวดท้องมากเราควรกําหนดจิตอย่างไรตอนใกล้าตายเพ่งกําหนดที่อาการปวดที่ท้องว่าปวดหนอปวดหนอหรือกําหนดที่ใจเข้าพุโทโธครับเราต้องฝึกก่อนไงเราต้องฝึกนั่งสมาธิแล้วเวลาเจ็บที่เท้าที่ไหนก็สมมุติว่ามันเป็นเหมือนกับอาการเจ็บที่เกิดจากโรคมะเร็งแล้วเราดูซิว่าเราสามารถที่จะสอนใจให้ว่า วางความเจ็บนี่ได้ไหมไม่ไปทุกข์กับความเจ็บนั่ได้ไหมซึ่งก็มีวิธีสองวิธีได้กันวิธีแรกก็คือวิธีของสติก็คือให้เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือบริกรรมคามไหนก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้อย่าไปให้ความสําคัญกับอาการเจ็บของร่างกายถ้าเราอยู่กับการสวดอยู่กับการบริกรรมพุทโธเราก็จะลืมเรื่องอาการเจ็บของร่างกายได้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายอันนี้วิธีของสตินะครับ วิธีของสมของปัญญาก็คือเราต้องพิจารณาว่าความเจ็บนี่มันเป็นสภาวะธรรมที่เราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้เหมือนย<ม>ืนฝ่ากาศเวลาฝนจะตกมาไปห้ามมันไม่ให้ตกไม่ได้ฉันใดการเจ็บปวดของร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเป็นสภาวะธรรมทางนี้ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเกิดระดับเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันดับได้เวลามันเกิดขึ้นมา หรเวลาไม่เกิดจะสั่งให้มันเกิดก็สั่งไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเราต้องฝึก ส, สอนใจด้วยปัญญาว่าเขาเป็นอนิจารย์ทุกขังอนัตตาอนิจารย์เขาไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็หายแล้วก็เปนอนัตตาเราสั่งไม่ได้สั่งไม่ต้องอย่าอย่ามาเจ็บนะร่างกายนี้อย่าเจ็บเลยนะห้ามเจ็บสั่งไม่ได้มันดินฟ้ากา ถ้าไปสั่งถ้าไปอยากให้มันเป็นไปตามคําสั่งแล้วมันไม่เป็นก็จะทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องวางทำใจเฉยๆอย่าไปอยากอย่าไปสั่งให้มันอยู่หรือไปให้มันอยู่ของมันให้มันอยู่ของมันให้มันให้มันไปของมันเองถ้ามันจะไปก็ให้มันไปถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปใจเราทําใจเฉยๆไว้ไม่ไปยุ่งก่อนเนี่ยไม่มีความอยากกับมันใจเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้วิธีของปัญญา ปัญญานี้ถ้าถ้าฝึกจิตแล้วไม่ทุกข์กับความเจ็บแล้วต่อไปมันมันก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไปเรื่อยๆเพราะมันรู้จักวิธีแล้ววิธีก็คือต้องไม่มีความอยากให้มันหายต้องยินดีต้อนรับมันเหมือนต้อนนับน้งใหม่ยินดีต้อนรับถวายอาหารเช้าแก่พระกับตักบาตรเช้ากับถวายเพนมีบุญกุศลที่ต่างกันไหมครับ ไม่ต่างหรอกก็อ yes no? no? hmm. ยู่ที่เืออย่างที่บอกถ้าต่างก็ต่างที่ปริมาณของทรัพย์ที่เราเสียไปบริจากไปถ้าเสียซรัพมากก็ได้บุญมากเสียทรัพย์น้อยก็ได้บุญน้อยอาหารช้าอาจจะอาจจะบริจาคทรัพย์น้อยหน่อยเพราะอาจจะเป็นแค่กาแฟปาท่องโก๋หรือข้าต้มอาหารกลางวันนี้อาจจะมันต้องมีอาหารเยอะหน่อยทรัพย์ที่จะเสียอาจจะไม่เท่ากันในอย่างนี้ก็อยู่ที่ทรัพย์ไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่าบริจากตอนไหน กราบประธาครับต้องเข้าฌานทุกวันไหมครับหรือถึงได้เป็นพรหมหรือทําแค่ครั้งเดียวแล้วเลิกเลยครับเป็นครั้งเดียวก็เป็นพรหมแค่ครั้งเดียวเลยมือกับเหมือนกับกินยาเม็ดหนึ่งมันก็กินยาเม็ดหนึ่ ง, งความปวดก็หายชั่วชั่วยาฤทธิ์ของยายอยูอย่ฮะฤทธิ์ของยาระรับความปวดได้หกชั่วโมงความปวดก็จะหายไปแค่หกชั่วโมง พอแล้กินยาพอหยุดยาหมดมันก็กลับมาใหม่ถ้าไม่อยากให้มันกลับมาใหม่ก็ต้องกินอยู่เรื่อยๆกินอย่างต่อเนื้อันนี้ก็แบบเดียวกันสมาธิก็เสื่อมได้หมดฤทธิ์ได้ออกจากสมาธิมาสักปั๊บหนึ่งเดียวอากความสงบความเป็นอุเบกขาแล้วก็ค่อยจางหายไปความฟุ้งความเครียดความวุ่นวายก็กลับมาก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทำเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆ เพื่อรักษาระดับของการสั่นของให้มันสเสถียรให้มันต่อเนื่องอหนูไม่สบายปวดหัวแล้วแกร้องไห้โอดโอยมากหนูควรจะบอกพ่ออย่างไรดีครับถ้าก็ไม่ถามก็ไม่ต้องมาบอกอะไรแลอยจะไปสอนพ่อเราเป็นลูกเราคอยช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดหาน้ําหายามาให้ท่านกินก็นแล้วแต่ท่านจะกินไม่กินก็นแล้วแต่ท่าน คอยดูแลรับใช้ท่านคอยรับคำสั่งจากท่านไม่ต้องไปสั่งท่านไม่ต้องไปบอกท่านอะไรตอนผิดหน้าที่พวกเราส่วนใหญ่มักจะชอบไปสอนไม่บอกคนนั้นคนนี้แเราก็ไม่รู้ว่าเขาเยินดีกับการสั่งสอนอของเราหรือไม่ก็ตามยันถ้าเขาไม่ขอร้องไม่ถามก็ไม่ต้องไปพูดเฉยเว่าคอยรับคาสั่งโดยเฉพาะพูอที่เป็นบุ ป, ปการีเป็นพ่อเป็นแม่ของเรา เรามนหน้าที่รับใช้ใท่านตาบสนอความความต้องการของท่านไม่ใช่มาคอยสานคอยสอนท่านว่าให้ทำอย่างไรคุณวัฒนาครับบอกว่าวัดที่พระอาจารย์สุชาติอยู่ทอดกับถินวันไหนและจะร่วมบุญได้อย่างไรครับทางวัดเขาปีนห้นเขาจัดขึ้นวันที่วันอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนก็สามารถรุ่มได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีวัด ก็ลองติดต่อที่ทางวัดดูวัดวัดก็ดจะมีเพจลองเสิร์ชเข้าไปเดูวัดยาส า, ามารถรองรับนะครก็จะมีหมายเลขของของบัญชีของทางวัดสามารถโอนเงินเข้าไปได้โดยตรงทำโรงทานได้บุญเยอะไหมครับก็เป็นทางอย่หนึ่งเหมือนกับใส่บาตรเหมือนกับเลี้ยงปลาปล่อยเลี้ยงปลา ป, ปล่อยนอกปล่อยปลาถ่ยยายชีวิตวัวควายพวกนี้ก็ถือว่าเป็นทานเหมือนกัน คุณวิไลครับเวลาไม่สบายไปโรงพยาบาลท่องพุโทโธแต่ยังรู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยมีความสุขแสดงว่าเรายังฝึกไม่พอถูกไหมครับใช่จิตยังไม่สงบจิตยังไม่เน่งจิตยังวาดกลัวจิตยังอยากอยากให้ความเจ็บหายไปอยู่มันก็เรา ย, ยังเครียดอยู่ถ้าเราสามารถพุโทโธพุโทโธจนกระทั่ ง, งเรื่องความเจ็บได้ความอยากให้มันหายเจ็บมันก็จะหายไปว่าความเครียดก็จะหายไปใจก็จะเบาจะเย็นจะสบาย ยังถ้ายังเครียอยู่ก็พุโทโธต่อไปพุโทโธให้มากให้ต่อเนื่องเลยไม่ใช่พุโทโธสองสามคำแล้วก็หยุดแล้วเดี๋ยวให้กลับมาพุโทโธใหม่มันก็จะทำให้มันไม่พอกาลังไม่พอที่จะทำให้ความเคียดหายไป ม, มีผู้ชมถามว่าส่งคำถามได้ทางไหนสามารถส่งได้ทางที่ท่านพิมพ์มาเลยนะครับพระที่ถือฝีนแปดคือปล่อยวางแต่ถ้าพระ ว่าค า, ารวาะพระผิดไหมครับพระสอนค า, ารวาะได้พระเป็นอาจารย์ของค า, ารวะแต่พระจะสอนต้องสอนคนที่เขาขอ เ, ขาเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่ไปสอนทุกคนได้ธรรมดาพระจะเทศจะสอนการนีต้องให้เขาอาราธนาก่อนอาราธนาทำเพื่อให้เข า, อาขอร้องก่อนว่าช่วยกราณาสอนข้าพเจ้าด้วยเถิด น, นี่ก็สอนได้ อยู่ดีๆเดินไปการถนนเจอใครทำผิดเนี่ก็ไปบอกก็เธอทำอย่างนี้ไม่ถูกนะทาไม่ได้นะอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของพระสอนได้กับคนที่เข้ามาสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณแต้มสีครับการทำบุญกะถิ่นจำเป็นต้องทำไหมครับมีความสำคัญมากไหมดิฉันจำได้ว่าเป็นการถวายสังฆทานอย่างหนึ่งดิฉันไม่ค่อยได้ทาบุญกถินครับอ๋อ การทำมงกระถินนี่มันเป็นการถวายผ้าผ้าที่เอามาทำตัดเย็บเป็นจีวรเนี่ยคือสมัยก่อนนั้นก่อนที่ในยุคแรกๆนี่นไม่มีการไม่มีการถวายผ้ากระถินไม่มีการถวายผ้าให้พระเพราะว่าพระท่านใช้การไปใช้ชักผ้าบางสกุลคือไปเก็บผ้าที่ห่อศพทิ้งไว้ในป่าชา้าแล้วก็เอาผ้านั้นน่ะที่เปื้อนด้วยเลือดเลือดน้ำหนองน้ำเลือดอะไรมาซัดไวยอ้อม แล้วก็มาตัดเย็ดเป็นจีวอรอันนี้เป็นเป็นการการใช้ผ้าของพระในสมัยพุทธกาลต่อมาเมื่อศาสนามีความแกล้วหน้ามีคนศรัทธามากขึ้นก็มีคนมาขอบวชมากขึ้นเลยทำให้ผ้าป่าผ้าในป่าช้าไม่ขาดแคลนไม่พอใช้ผ้าไม่สามารถมีผ้าให้ครบทั้งทั้งสำนับได้คือสามผืนบางก็มีแค่สองผืนได้พอไปเจอ ไปเจอฝนเข้าก็เปียกฝนมีผ้าคลุมหนึ่งเดินทางไปกราบพระพุทธเจ้ากลางทางก็ไปเจอฝนเขา้าผ้าก็จีวรที่ห่มก็เลยเปียกปอนแล้วก็ไม่มีผ้าอีกผืนด้วยสําหรับเปลี่ยนพอไปกราบพระพุทธเจ้าก็ต้องไปกราบด้วยการห่มผ้าที่เปียกปอนเข้าไปพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นความเดือดร้อนของพระว่าตอนนี้ผ้าขาดจริงๆพระมีผ้ามไม่ครบก็เลยบอกญาติโยมว่าอถวายผ้าให้กับพระบ้าง เพราะตอนที่ผ้าในป่าช้ามให้พอขาดตลาดแล้วคนตายไม่ทันกับจำนวนของคนมาบวชคนบวชมากกว่าคนตายก <c oughs> ็เลยต้องให้ถวายผ้าแต่ท่านก็บงังครั้ว่าไม่ให้ถวายแบบมากเกินไปวันหนึ่งนี่ให้รับได้เพียงแค่ครั้งเดียวเพราะผ้านี่มันใช้มันไม่ได้ใช้บ่อยมันไม่เหมือนกับอาหารที่ต้องต้องกินทุกวันผ้านี้ถ้ามีผ้าแล้วอาจจะใช้ได้ทั้งปีก็เลยอนุญาตให้ ถวายผ้ากถินได้ปีละหนึ่งครั้งตอนหนึ่งวัดแล้วก็มีกําหนดเวลาด้วยไม่ให้ยืดเยื้อไม่ให้เพื่อจะได้ไม่มาทําให้พระต้องมาวุ่นวายกับการนอรับผ้าก็เลยกลําหนดเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่วันออกพรรษามาจ น, นถึงวันน้อยกระทงนี่เป็นเขตการถวายกฐินหลังจากนั้นก็ไม่มีการถวายกฐินไปจนถึงปีหน้าแต่สามารถถวายผ้า อาจีวรที่เขาขายตามร้านได้ซื้อผ้าจีวรพระตรงพระตายมาถวายพระได้อันนี้ไม่มีกําหนดปฎเกณฑ์อะไรเพราะไม่เกี่ยวกับยุคสมัยพุทธกาลอันนี้เรามาอยู่ในยุคที่เราจเจริญเจริญมีผ้าเยอะก็เลยสามารถซื้อผ้ามาถวายพระได้สะดวกแต่สมัยก่อนนี่ผ้าหา ย, ยากและมีราคาแพงยังไม่ค่อยมีคนที่จะถวายผ้าให้กับพระกันตรงนี้ท่าพระเจ้าบอกว่า ต้องถอวายนะตอนนี้พระเหนื่อย น, นอนแล้วไม่พอใช้ก็เลยมีการถวายพระกรินเพราะเจ้าบอกได้ประโยชน์มากเกีประโยชน์กับผู้รับแต่คนไม่เข้าใจเชื่อตนเองได้บุญมากจากการถวายพ้ากระถิ่นควาจริงมันก็ได้ได้บุญเท่ากับกับเราทําบุญอย่างอื่นถ้าปัจจัยที่เราเทาที่เราเสียไปเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากัน มันแต่คนไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าอกระถิ่นนี้เป็นบุญที่ทําบุญแล้วจะได้บุญเยอะพระปีหนึ่งทําได้ผลเดียวเพราะว่าไปแตความจริงไม่ได้เกี่ยวว่าปีเดียวทาได้ผลเดียวถึงจะเปนได้บุญเยอะท่านต้องการที่จะไม่ให้พระโลภกับผ้ามากจนเกินไปให้มีพออยู่พอใช้ก็พอถ้าไม่ไี้กาหนดเกณฑ์เนี่ยก็รับผ้าทั้งปีรับกระถิ่นทั้งปีครับ พระควรจัดสละกศีลโดดน้ําไปช่วยสตีที่ตกน้าหรือรสสักษาศีลอย่งชีพแล้วปล่อยให้ศาตว์เป็นไปตามกรรมครับก็ แ, แต่ภูมิจิตภูมิต่างของพระรูปนั้นว่าท่านมีนั้นในระดับไหนท่านจะรู้เองถ้าท่านอยู่ในเท่งนะัในระดับศีลนั่นก็ปล่อยให้เป็นไปเป็นตามลํากลับไปแต่ถ้าท่านเป็นระดับพระอรหันต์นี่ก็ไม่แน่ท่านท่านก็นึกว่าท่านว่ายน้ําเป็นหรือเปล่า <laughs> ท่านว่ายน้ําม่ได้ังไม่ไ แตถ้าท่านแต่ถ้าท่านาว่ายน้ำเป็นท่านอาจจะไปก็ได้เพราะมีนิทานเรื่องนึงเล่าให้ฟัง ม, มีน้องตาน้งตลาลูกหนึ่งกับผ้าบวชใหม่ท่านไปกินนิ ม, มนต์มาแล้วเดินกลับวัดกันระหว่างกับเดินทางกลับวัดต้องข้ามข้ามลําห้วยซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงฝนตกเดินดูฝนน้ํากากน้ําหลายเชี่ยวกากมีมีผู้หญิงโยมคนจ่าคนหนึ่งผู้หญิง คุณยายคนนึงคุณยายและคุณป้านเนี่ยคนชะลานั่งอยู่ข้างลำธารแล้วกม็มีหน้าตาเสืมเศร้าหลวงตาท่านเดินมาท่านก็ถามเป็นไงโยมถึงมานั่งเสืมเศร้าโอ้อยากจะกลับบ้านแต่ต้องข้ามลำห้วยแต่กลัวเดี๋ยวจะโดนน้ําซัดพัดไปหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรแล้วหลวงตาท่านก็อุม้มพระเจ้าโยมคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเดินข้ามลำห้วยไปพระที่ติดตามมาเป็นภาพใหม่เข่งพระวินัยมาก ผู้ยพระจับตั้งตัวผู้หญิงไม่ได้นะอย่างนี้อาบัต์ร้ายแรงะก็ในใจก็คุ้นคิดอยู่นั้นอยู่ในใจเดินไปก็ทำไมห้องตากล้าทําถึงขนาดนี้ไม่ไม่กลัวอาบัต์ไม่กลัวบาปบ้างเหรอในที่สุดพอถึงวัดก็อดกันใจไม่ได้เลยถามว่มาเมื่อกี้ที่นลวงตาทํากับพระกับผู้หญิงคนนั้นมันมันอาบัต์ไม่ใช่เลยมันผิดหรือเปล่านลวงตาทำไมา ก, กูปล่อยกูปล่อยเขาไว้ตั้งแต่ที่นำทานแนละมึงจะแบกมาอยู่เหรอ ดับลมนั่นเป็น<แ> ก, กิริยาท่านทําท่านทําด้วยกิริยาจิตท่านไม่มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นท่านท่านตัดท่านดับการมารมลได้หมดแล้วเป็นผา้าหันนั่นนี่แม้แต่ผ้าหน้าคามีกระดับการมารมลได้หมดแล้วท่านไม่มีการมารมลจะไปสัมผัสจะไปเห็นอะไรท่านก็เฉยเฉยได้ท่านทําด้วยความเมตตาอันเนี้แผ่เมตตาแต่ชาวบ้านไม่รู้นะว่าผ่านบ้าการ ใช่ครับอ ม, มีมีถามเพิ่มพอดีเลยครับแล้วก็พระอาจาะเคย อ, อธิบายเรื่องนี้หลายครั้งแต่น่าจะเป็นผู้มาใหม่นะครับการอุทิศบุญกับการแผ่เมตตาเหมือนกันไหมครับกตัวอย่างกันการแผ่เมตตาก็คือการแสดงความเป็นนิสมีไมตรีจิตต่อคนนั้นคนนี้เรียกว่าแผ่เมตตาการอุทิศบุญนี้เป็นการมีการส่งบุญให้ผู้ที่ร่วรับไปแล้ว เวลาเราทำบุญนี่เรามีบุญที่เกิดจากการทำบุญของเราเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ตายไปได้เพราะผู้ที่ตายนะเขาไม่สามารถทำบุญของเขาเองได้แนละ้วถ้าเราอยากจะช่วยเขาให้เขามีความสุขเราก็ส่งบุญนี้ไปให้กับเขาการทำกระถิ่นห้องน้ำสามหมื่นบาทเพื่อให้มีการสลักชื่อจะทำให้มีชื่อเสียงจริงไหมครับ การทําบุญนี้ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้ทําเพื่อลาบยศสารเสริญสุกร์ทําบุญเพื่อให้ใจเรามีความสุขแล้วก็ให้ใจเราสูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ยสักชื่อไม่สลักชื่อนี่มันมันไม่เกี่ยวกับการทําบุญแต่อย่างใดเป็นความเชื่อมากกว่าคุณอมรยาครับพระอาจารย์ครับบางคนกับภูมิใจที่เขาไม่เข้าวัด ปวดว่าไม่ตักบาทมานานแล้วเลี้ยงดูพระในบ้านดีกว่าพระในบ้านเราก็ดูแลถ้าท่านจากไปไม่คิดจะไปทําบุญให้ท่านบ้างหรือก็เป็นความคิดของเขาเองคือถึงแม้ว่าพระในบ้านจะเป็นพระก็ตามแต่พระในบ้านอาจจะไม่มีธรรมะสอนเหมือนกับพระในวัดหรือเฉพาะแท้พระที่ท่านเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยถ้าเราได้ไปทําบุญกับพระอริยะนี่เราก็จะได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของท่าน เราก็จะได้ปัญญาใน ไ, ได้บุญในระดับหนึ่งที่สูงกับบุญที่เกิดจากการทําบุญทําทานแต่แล้วเขาไม่เขาไม่ยินดีเขาไม่ต้องการก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วแต่เขาว่านี่ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกทําอะไรก็ได้จะทําบุญก็ได้ไม่ทําก็ได้จะทําบาปก็ได้ แ, แล้วแต่นี้แต่เขาต้องไปพูดรับผลของคของการกระทํา ข, ข, ข, ของเขาเท่านั้นเอง ถ้าเราไปเก็บกระเพราโหระพาที่มันขึ้นเองในวัดบาปไหมครับถ้าอยู่ในวัดก็ต้องถามต้องถามเจ้าของวัดก่อนเจ้าวาดก่อนแลตัวแทนของเจ้าวาดว่าเก็บไปได้ไหมเพราะของทุกอย่างในวัดนี่ชาวบ้านเขาเขาลบวัดมากแม้กระทั่งทรายที่เขาบางทีเดินเขาคิดว่าเขาเดินแล้วเอาทรายออกจากวัดไปเนี่ยก็มีธรรมเนียมที่จะแบกทรายเข้าวัดกันใช่ไหมอันนี้น่ะเพราะเขาไม่อยากจะเอาอะไรของวัดออกกลับไปกับเขาเลย คนที่มาทำบุญตั้งใจที่จะมาให้ให้ของให้ข้าวให้ขอ ง, ใ ห, ของให้อะไรต่างๆกับวัดแม้แต่ทรายที่ติดเท้าไปเขาก็ไม่อยากจะให้ติดไปกับเท้าของเขาแต่บางทีเขาก็ห้ามไม่ดนา น, นก็อาจจะมีทรายติดไปกับเขาด้วยเขาก็เลยมีวิธีคืนในการถวายทายให้กับวัดกันอุ่นชั้นนินครับถ้าตายขณะมีสมาธิชนันฝี สามารถตายไปเป็นพรหมได้และหมดกําลังจะลงนรกได้อยากทราบว่าเรายังมีบาปอยู่เมื่อเรากลัวลงนรกเราจะต้องทําอย่างไรในการไม่ประมาทครับคือชายนี้มันก็เสื่อมได้เพราะมันหมดนะถ้าบาปมันมีกําลังขึ้นมามันก็สามารถที่จะส่งเราไปนรกได้อยู่ถ้าไม่อยากจะไปดนรกก็ต้องอย่ากำมาเกิดเทนะ่านั้นไปนิพพาน อย่างน้อยต้องไปเป็นพระโสดาบันขึ้นไปพระเรียงบคุคคลทุกรูปนี้ปิดประตูบายไนดะ้หากเพื่อนที่เราคบหาไม่มีสัจจะต่อกันเราเลยเลิกเลือกที่เราเลยเลือกที่จะเลิกคบเราทําถูกหรือไม่ครับหรือว่าต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็มันเป็นสิทธิของเราที่เราจะเลือกคบใครก็ได้ทางคําสอนพระเจ้ามาสอนให้คบคนดีอย่าไปคบคนไม่ดี คน <S <S นี้ก็คือคนมีศีลมีธรรมนี่เองคนซื่อสัตว์สุจเด็ดเขาบอกเขา้วเขาไม่ทำร้ายเราเขาบอกคนที่ไม่ซื่อสัตว์สุดรด็ดเขาเขาอาจจะทำร้ายเราก็ได้คุณกวางครับตอนนี้คุณปู่อาการโคมา่าเราควรจะวางอารมณ์อย่างไรครับก็เป็นเรื่องธรรมดา่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ดวงผลขอแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้จะไปสร้างสมเสียใจมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนลงอะไรเงินที่ได้แต่การเปิดผับเปิดบาร์แล้วนําเงินมาทําบุญเป็นเงินบาปไหมครับเงินเงินก็เป็นเงินน่ยมันไม่บาปไม่เป็นบุญเน่ะอยู่ที่การกระทํำถ้าเงินนี้ไปทําบุญมันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นบุญถ้าเงินนี้ไป ไปทำบาปมันก็เป็นบาปไปจ้างค่าค น, นเอาเงนินที่เราทํำนี่งั้นตัวเงินเองมันไม่เป็นบุญเป็นบาปแต่อยู่ที่พฤติกรรมที่เราทําว่ามันเป็นบุญไม่เป็นบาปถ้าไปทําบุญมันก็เป็นบุญเอาเงนินไปทําบุญมันก็เป็นบุญเอาเงินไปทําบาปมันก็เป็นบาปนั่นอยู่ที่าการกระทําไม่ได้อยู่ที่ตัวเงนินคุณหลิงครับเราจะดูพระปฏิบัติดีต้องดูที่ศีลก่อนใช่หรือไม่ครับ ก็าต้องดูทั้งกายวาจาใจเนี่ยต้องอยู่กับท่านนานๆเ น, นี่ยไปศึกษาไปวัดบ่อยๆไปติดตามดูอะไรเรื่อยๆไปว่าท่านมั่นคงหรือเปล่ามั่นคงในศีลในธรรมหรือเปล่าหรือ ม, มีอะไรวันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับเรื่อนี้เขาเรียกวอกว่าระยะทางไปเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูววน ค, สคน์คนไม่ใช่เแค่ดูแค่ปั๊บเดียวแล้วจะไปสรุปว่าดีแล้วไม่ดีไม่ได้หร มันอยู่เป็นระยะยาวนานเลยพอฟังธรรมแต่นั่งสมาธิได้ไม่นานเราจะแก้อย่างไรครับเพราะสติเรามีน้อยเราต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นฝึกสติก่อนมานั่งสมาธิการฝึกสติก็คือผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นผูกใจไว้กับพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปทั้งวัน ถ้ากใจไว้กับร่างกายก็คอยเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจลอยไปที่อื่นถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ ว, ลวนะ่าสมายที่จิตก็จะสงบง่ายสงบได้เร็วและสงบได้นานคุณนานาครับติดกับผู้รู้คือสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับผู้รู้ก็เป็นคุณสมบัติของจิตเนี่ยจิตมีความสามารถที่จะรู้ ไม่ใช่เป็นตัวรู้ไม่ไม่มีตัวตนมันเป็นความสามารถคือการรู้นี่เป็นความสามารถของจิตจิตเป็นธาตุรู้จิตไม่มี t t ตัวตนแล้วบางทีเราพูดตัวรู้นี่มันอาจจะแสดงว่ามีตัวตนอยู่บางทีมไม่มีมันมีการรู้แต่ไม่มีตัวรู้ไม่มีการจิตนี่มันมันก็มีเป็นตัวเป็นการกระทําจิตมีการกระทําแต่จิตไม่แต่ไม่มีผู้กระทํา มันเป็นการกระทํามันเป็นเป็นกรรมผู้ง่ายๆแต่ไม่ได้ผู้กระทํากรรมทอดกระถินเราแค่ร่วมอนุโมทนาก็จะได้บุญเท่ากับที่เขาถวายผ้ากรถิ่นหรือเปล่าครับไม่ได้หรอกบุญคนละอย่างนะถ้างั้นก็ดีไม่ต้องทําบุญรอรอรอนุโมทนาบุญอย่างเดียวก็เป็อย่างน้นรู้สึกมีความชื่นชมยินดีไปกับเขา แต่เรไม่ได้อัี้สงจากการบริจาคเงินทองไปประโยชน์ที่เราจะได้รับมัไม่เกิดเราจะไม่ได้ไปสวรรค์จากการอนุโมทนาบุญเพราะเราไม่ได้ทําทานทานเป็นตัวที่จะเดินให้เราไปมันเพียงแต่อาจจะทําใจให้เรามีความสมชั่วขณะที่เราอนุโมทนาเท่านั้นอจิตสงบกับอุเบกขาต่างกันอย่างไรครับ มันก็มาด้วยกันนะถ้าจิตสงบจิตก็จะเป็นรูเบคาจิตจะไม่มีความอารมณ์รักรักชังกลัวหลงจิตจะเฉยเฉยสักแต่ว่ารู้ไปกราบพระที่เป็นญาติที่วัดพระจะให้ของใช้และขนมกลับมาบ้านด้วยบาปไหมครับถ้าคนเราไม่บาปแต่คนให้อาจจะบาปถ้าไปขโมยของเข้ามา ถ้าเป็นของที่เป็นของของเขาแล้วก็ให้เรานี้ก็ไม่บาปคนให้ก็ไม่บาปคนรับก็ไม่บาปคุณชาญยุทธครับในทางปฏิบัติต้องฝึกถึงขั้นไหนครับถึงจะเรียกว่าได้หลักได้เกณฑ์ครับก็สามารถก็คุมใจได้สามารถสั่งให้มันสงบได้เวลาโกรธปั๊บก็สั่งให้มันหยุดได้เวลาเสียใจก็สั่งให้มันหยุดได้เวลากลัวก็สั่งให้มันหยุดได้ ให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆตลอดเวลาอาปเจ้าจิตใจวุ่นวายไม่มีสมาธิเลยจะต้องทำอย่างไรดีครับก็พวอขาดสติต้องฝึกสติให้ม้านๆก่อนฝึกสติทั้งวันพุโทโธกันทั้งวันค่ะหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่น คุณนันทัพพรครับถือศีลแปดอยู่กับบ้านกินน้ําเต้าหู้ได้ไหมครับไมยถึงกินตอนหลังจากเที่ยงวันไปแล้วใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าจะถือแบบไห น, นเพราะว่าในประเทศไทยเรานั้นไม่มีพระสองนิกายนิกายหนึ่งนี้ท่านว่าน้ำเต้าหู้นี่ดื่มได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วอีกนิกายหนึ่งก็ว่าดื่มไม่ได้เพราะว่าเป็นอาหารกณแล้วต่จะตีความว่าเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่ม เหมือนกับน้ำนมก็ดื่มไม่ได้น้ำนมก็ถือว่าเป็นอาหารแต่อีกฝ่านี่ก็บอกดื่มได้เป็นเครื่องดื่มงัม้นก็แล้วแต่ว่าเราจะถือแบบไหนจิตคนเรามีกี่ดวงแล้วอยู่ส่วนไหนของร่างกายครับแล้วเราจะเห็นหรือเข้าใจถึงจิตเราได้อย่างไรครับมีดวงเดียวงั้นไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่อยู่ในโลกทิพย์เหมือนอยู่เหมือนถ้าร่างกายอยู่บนโลกโลกนี้ จิตก็เหมือนอยู่ที่โลกพระจันทรอยู่คนละโลกกันโลกททพกับโลกโลกกระทา a ในคนละโลกกันแต่จิตสามารถส่งสัญญาณมารับข้อมูลจากร่างกายได้ผ่านผ่านกระแสที่เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นผู้เหมือนกับกระแสที่เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเนี่เรามีกระแสวิทยุใช่ไหมสัญญาณวิทยุสัญญาณโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลให้ให้แก่กันและกันได้ จิตับร่างกายก็เป็นแบบมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือถือสองเครื่องอยู่คนละที่กันร่างกายอยู่ในโลกนี้จิตอยู่ในโลกทิพย์แล้วอยากจะเห็นใจว่าเห็นจิตว่าเป็นยังไงก็ต้องฝึกสมาธิทําจิตให้นิ่งให้สงบให้ดวงแล้วจิตก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวจิตจะถอนกระแสการรับรู้เรื่องของร่างกายกลับเข้าไปในตัวจิตเองแล้วก็จะรับก็จะเห็นตัวจิตว่าเป็นเป็นอย่าง ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตลมเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นตัวจิตคุณหนุนทางครับนั่งสมาธิให้ดูลมเข้าลมออกหรือดูร่างกายแบบไหนถูกครับมันมันมีหลายวิธีไงวิธีนั่งวิธีหนึ่งก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกไม่ล่นดูร่างกายให้ดูลมหายใจดูที่ปลายจมูกหยุด อยู่ที่ดูที่จุดเดียวอย่าอย่าอย่าอย่าเคลนไปตามลมเข้าลมออกให้เฝ้าดูอยู่ที่จุดเดียวคือทางเข้าทางออกของลม ก, ก็เกิดที่ปลายจมูกให้รู้เวลาลมเข้ามันก็จะสัมผัสที่ปลายจมูกลมออกมันก็จะสัมผัสที่ปลายจมูกให้รู้ว่าเข้านึ่งออกไปเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้คิดอะไรพอใจหยุดคิดใจก็จะเน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนียวกว่าความสุขทั้งปวด นั่งสมทีินี้คือสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นหลักแล้วเรื่องอย่างอื่นล้วก็เราก็จะได้ตามมาด้วยคือจิตก็จะเป็นฮูเบคาด้วยแล้วเราก็จะรู้จักตัวจิต ด, ดีขึ้นว่าจิตกับร่างกายนี่เป็นคนคนลราส่วนกันคนมีเงินน้อยตั้งใจเต็มที่ที่จะทําบุญแต่ทําได้น้อยคนมีเงินมากทํามากแต่อยากทําเอาหน้า บุญจะได้รับต่างกันไหมครับคือเราบุญเราไม่ได้ดูที่จำนวนเงนคือหมาควาว่าร้อยบาทนี่มันส อ, สองคนสองคนนี้มันอาจจะมีน้ําหนักไม่เท่ากันเพราะว่าเราเราดูที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ว่าเราทำบุญบริจาคไปน้อยแล้วเท่าไหร่เราไม่เรามีพันเองล้วถ้าเราเราทำน้อยละสิบเราก็บริจาคไปละไปน้อยบาทแต่สำหรับคนถ้าอยากจะทําบุญเท่ากับเราคือน้อยละสิบ แต่เขามีอยู่ล้านหนึ่งเนี่ยเขาต้องทำเท่าไหร่ต้องทําแสงหนึ่งเนี่ยอันนั้นอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่แต่มูลไม่เท่ากันแต่จํานวนเงินไม่เท่ากันแต่ทรัพย์เพราะเราวัดที่ทรัพย์สัดส่วนของทรัพย์สิ่งที่เราเบริจาคไปไม่ได้ดูไม่ได้ไไดูที่ตัวตัวตรงเงินอย่างเดียวอย่งนั้นคนที่มีทำมาทําูลบริจาคสิบเปอร์เซ็นตะสิบก็จะได้บุญเท่ากัน แต่ลักษณะศีลของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เราไม่อยู่ว่ามีมากมีน้อยกว่ากันนั้นคนที่เป็นคนยากจนนี้กับกับได้เปรียบกว่าเพราะทําบุญได้ใช้เงินน้อยกว่าแต่ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้บุญเท่าได้ได้บุญอาจจะเท่ากันหรือมากกว่าหรือเสีได้ซ้ําไปคุณเจย์ยังครับไม่ว่าคนธรรมดาหรือเป็นพระสงฆ์ก็มีความโลภเหมือนกันใช่ไหมครับพระอาจารย์ แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นตนเป็นนีพพึ่งแห่งตนน่าจะดีกว่าหาเงินได้ด้วยตัวเองก็สบายใจแล้วครับเอคนเรามีโลคมีมีโลคไม่มากมีโรคมากน้อยไม่เท่ากันบางคนไม่มีโลคก็มีผ้าอะหันทัดก็ไม่มีความโลคเลยก็มีงั้นเรา จ, จะเปเหมาว่ามีเหมือนกันไม่ได้เรื่องของความโลคต่างกันอยากถามหลวง อาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิแล้วฟังธรรมไปด้วยได้ไหมครับถ้าเรายังไม่สามารถที่จะใช้การดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธเราก็จะอาศัยการฟังธรรมไปเป็นเครื่องกอบใจแทนก็ได้แต่ถ้าเราฟังธรรมเราก็อย่าดูลมเราก็อย่าบริกรรมพุโทโธพร้อมๆกันไปเพราะมันจะตีกันมันจะชนกันใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าใช้ทั้งสองอย่างสามอย่างปนกันแล้วมันจะทาให้จิตไม่สงบ จากข่าวถูกแจ้งความดำเนินคดีมีผู้เสียหายบางคนที่ค่าตัวตายเพราะหมดเนื้อหมดตัวจากการถูกหลอกให้ลงทุนผมรู้ว่าผู้ร่วมขบวนการทุกคนรวมถึงตาราเข้าขายผิดศีลข้อสองอาทินนาทานแต่จากที่มีผู้เสียหายค่าตัวตายด้วยผู้ร่วมขบวนการเหล่านั้นจะเข้าขายผิดศีลข้อหนึ่งปาณาติบัติด้วยหรือเปล่าครับเราอย่าเพิ่งมาเป็นผู้พิพากษ์ษาเลยตอนนี้่อให้กดแห่งกรรมก็ทําหน้าที่ของเขาไปดีกว่า ไม่กล้าไม่กล้าตัดสินแล้วไม่กล้าเป็นผู้พิพากษาเพราะเราไม่มีข้อมูลที่มากพอที่จะสามารถไปตัดสินก็ได้เพียงแต่ข้อมูลที่เราได้ยินได้ฟังผ่านทางสื่อ น, นี่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จขนาดไหนเราก็ไม่รู้กันงั้นอยา่าพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปเชื่ออะไรเวลาที่เราได้ยินได้ฟังอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปเชื่อตั้กระแสเนี่ยหนึ่งในกาลมาสูตรน้องไปอ่านดูให้เราพิสูจน์ก่อนว่าเขาผิดจริงหรือไม่ เขาผิดหรือไม่ผิดนอกจากไปตัดสินว่าเขาควรจะรับโทษอย่างไรต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาผิดจริงหรือไม่ไม่ผิดจริงเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะจะดีกว่าเมื่อ <ule ls> จิตตั้งมั่นเกิดขึ้นมีสภาวะไม่ถล้ำลึกไม่ส่งออกแต่เหมือนน้ำนิ่งๆควรจะกําหนดแบบไหนต่อครับ <S <S แค่มันนิ่งแล้วก็ไม่ต้องกําหนดอะไรรักษาความนิ่งไว้ต่อไปเท่านั้นเอง ให้มันนิ่งไปนานๆให้มันนิ่งไปทั้งวันเพราะถ้ามันนิ่งจริงนี้มันจะมีความสุขมากสุขมากยิ่งกว่าถุงวัตถุรางวัลที่หนึ่งนี้มันก็จะไม่อยากให้ความสุขนี้หายไปอยากจะรักษาความสุขนี้ให้อยู่ไปนานๆคุณลจิตนาครับนิพพานหมายถึงสภาวะดับศูนย์จิตดับศูนย์ว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่จิตไม่ดับสิ่งที่ศูนย์คือกิเลส กิจว่งป่าปัสะจากติเลศความโลภกดหลงนี่วันนี้ผ่านอาจารย์ครับทําไมปัจจุบันนี้มีคารวาสมาสอนทำกันมากครับพราเขาอยากจะสอนนั่งอันนี้ก็เป็นรู้เหมือนกันคนที่ดู้ทำจริงๆบ้าจะไม่อยากจะสอนแค่อยู่เฉยๆสบายกว่าไม่เหนื่อยคนที่อยากจะสอน นี่เขายังอาจจะหวังว่าลาบสักการะอยู่เนาะคนพื้นที่ที่ออกมาเป็นครูสอยกันเนี่ยส่วนใหญ่มากอยากจะได้ลาบสักการะอย่างน้อยให้คนเขายกย่องสรรเสริญเคารพนับถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วบางทีก็อาจจะมีการบริจากเงินให้ด้วยในการสนับสนุนก็ได้แต่คนที่เป็นคนที่เป็นอาจารย์จริงๆนี้ไม่ไม่อยากจะสอนใครเพราะไม่มีไม่มีความอยากได้ลาบสักการะจากใคร อนี้บรรลุธรรม้ราจะไม่หิวดังนั้นจมักจะไม่สอนใครนอกจากถูกไฟบังคับขนาะดเข า, าบังคับให้สอนก็เลยต้องสอนอยู่นีๆจะไม่ออกมาเปิดตัวว่าโอ้โอล็อกฉันเป็นอาจารย์ฉันฉันรู้นั่นรู้นี่แล้วนะมามาศึกษามาเรียนจับเราดัง น, นั้นจะไม่มีในใจของผู้ที่มีความรู้จริง เราจะช่วยคนป่วยที่นอนอยู่ในไอซูที่ไม่รู้สึกตัวได้อย่างไรบ้างครับต้องไปถามหมอทีถามหมอส่วนใหแล้วถามโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลเขาบอกช่วยซื้อเครื่องไอซเพิ่มได้ไหมเครื่องม้เครื่องมือกำลังขาดแคลนอยู่บดยจาเครื่องม้าเครื่องมือไปสิจะไม่จะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะขึ้นจะได้ดูแาคนที่อยู่ในไอซได้ดีขึ้นวิยจ่ายเงินโดยจ่ายเงนให้จ่ายค่า ถ้ารักษาพยาบาลของแพทย์ให้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นถ้าจะได้ไม่ไหนีหรอกจากนีแต่ทำไมนี่แพทย์หนีก็หนีจากโรงพยาบาลรัดเป็นหมุดนะเพราะว่างานมากแต่รายได้น้อยช่วยทางานแต่กรชนรายได้มากกว่าแต่างานกับน้อยกว่าไม่ดีกว่านี้ครับมีคนมาเล่าให้ฟังว่าระบบแพทย์น่าจะล่มนะ เพราะตอนนี้เป็นเรื่อเสี่ยงเยอะมีความภายงนพราะว่าพูดให้ฟังครนบ่ายกว่าผมอธิบายเรื่องนี้ในสภาไปด้วยครับอาจารย์เลยกระแสเยอะเลยครับคนที่รัฐกันเมือนเขาไม่ต้องการที่จะเอาเงินมาใช้ในทางนี้เพราะเขาไม่ได้รับประโยชน์เลย ก็ทําเอกชนกับทํารัฐบาลนี้รายได้ต่างกันหลายเท่าแล้วงานก็เบาวกว่าหลายเท่าครับพระอาจารย์เพราะ <ทำ S 2> ฉะนั้นคนน่้ยกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานรัฐบาลนี้คือคนที่เสียสละจริงๆครับอาจารย์ครับอถือว่าเป็นพระเหมือนกับเป็นพระเป็นหมอพระทำโดยที่ไม่ได้หวังคนตัดแทนไม่ได้ว่าประโยชน์เพียงแต่พอเลี้ยงชีของตอนเองไปได้เท่านี้เหมือนกับพ่า มีคำถามว่าทำสมาธิเท่ารัดนิ้วมือหรือนิ่งถึงยานท่านิ้วมือครับพอาจารย์อ๋อนิ่งเท่านิ้วมือคำว่ช่วงขนาดหนึ่งแค่ช่วงแวบหนึ่งแต่ความรู้สึกที่มันแปลกประหลาดมาสะใจความสุขที่เคยที่ได้สัมผัสนี้มันจะไม่เหมือนกับความสุขที่เราเคยได้สัมผัสมา ก, ก่อนมันวิเศษมากมันมหัจาย์ใจมากมันจะทําให้เราเกิดมีความผูกพันยินดีที่อยากจะ ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ใจเราสงบให้ได้นานขึ้นต่อไปฝึกสติทำให้ลูกเห็นอารมณ์เกิดดับเวลามีเรื่องเข้ามากระทบทางตาหูในชีวิตประจำวันวางอารมณ์ได้เร็วขึ้นครับถูกต้องเมืสติแล้วก็จะรู้ทันอารมณ์รู้รู้ทันกิเลสแล้วกเกิดขึ้นแล้วก็สามารถดับมันได้ ไม่เคยได้สมาธิแต่อาศัยบริกรรมพุทโธ ท, ทั้งวันที่ระลึกได้โดยที่ไม่หวังอะไรจะได้อนิสง์อย่างไรครับก็อย่างที่พูดเนี่ยถ้ามีสติก็สามารถที่จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจได้ถ้าเกิดอารมณ์โกรธก็สามารถระ ง, งับได้อย่างรวดเร็วมีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าพระอาจารย์กราบไหว้พระอาจารย์ได้อย่างสนิทใจในยุคปัจจุบันนะครับ ก็อย่ากราบดีกว่าปฏิบัติดีกาก็กราบด้วยการปฏิบัติบูชาดีกว่าอย่ามากาบเราเลยเวลาในโลกมนุษย์กับเวลาในภพขุมอื่นเช่นสวรรค์หรือนรกใกลเคียงกันหรือไม่อย่างไรครับก็เปนเวลาเราหลับเนี่ยเวลาเราหลับนะเวลามันผ่านไปเร็วไงอืออัปเดียวเชื่อนอนแค่สิบนาทีอาทีตย์นีได้เป็นชั่วโมงก็ได้นั่นแหะ เวลาเวลาราหลับเนี่ยมันเราอยู่ในโลกทิพย์กันเวลาของโลกทิพย์มันนี่มันมันมันเมื่อมาเปรียบเทียบกับเวลาของโลกเรามันรู้สึกว่ามันมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมันชันปุ๊บเดียวกราบนะพ่ออาจารย์ครับการวางใจก่อนตายคือมีสติไม่รักชังกลัวหลงรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตรู้เฉยเฉยจะตายก็ตายไปเห็นขันห้าอยู่ข้างนอก ใจวกกลับมาอยู่ที่ฐานของจิตจิตรู้เฉยๆใจว่างๆถ้าทําได้อัตโนมัติก่อนตายและเมื่อจะตายก็ทําแบบนี้อีกเราก็จะมีโอกาสได้เป็นพระโสดาบันหรือเปล่าครับก็เป็นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายนะถ้าเราถามข้อสอบข้อนี้ได้ถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องรีบเรากต้องไปหาเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้มันเกิดความรู้สึกวา่าเราอาจจะตายขึ้นมาก็ได้เช่นบางทีเราเดินทางบนเครื่องบินเนี่เยเกิดกับตันหรอตอนนี้เครื่องเสียเครื่องหนึ่ง ไม่น่าใจว่าจะลงแบบไหนตอนนั้นก็ดูใจ ก, ก็ได้รือไปหาหมอหมอบอกปเป็นมะเร็งขั้นที่สามแล้วรักษามไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะได้ทดสอบใจว่าเราจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่ถ้าปล่อยวางได้พอถึงเวลาจะตายจริงๆก็จะไม่ทุกข์กมัน ถ้าจะถวายน้ําปานะตอนทําวัดสวดมนต์เย็นแก่พระและผู้ถือศีลแปดได้ไหมครับควรถวายน้ําประเภทไหนบ้างอย่างไรครับก็ต้องไปดูที่ระเบียบของวัดว่าเขาจะให้ถวายของได้ตอนไหนบ้างไม่ใช่เลือกอย่างถวายตอนไหนก็ไปถวายเพราะบางวันเขาจะมีเวลาเช่นวัดป่านี้ก็จะมีเวลาดื่มน้ําปานะกันในช่วงบาว่ายวัดตาบ้านตานี้ประมาณสักสองโมงแล้วจะอมาฉันน้าปานะกันที่ตรงนั้นง ลงลงน้ำปานะพอมีลงน้ำปานะแล้วพอชันเสร็จท่านก็จะไปปัดควันทำควารสะอาดนานวัดตอะไรตา่างๆเสร็จแล้วท่านก็ไปส่องน้ำหลจากนั้นก็จะไปเดินจงกรมน้ําสมาธิต่อันนั้นเวลาที่เราจะถวายอะไรบางอย่างเราต้องไปถามว่ดมาก่อนว่าเวลาไหนที่สะดวกวัดเขาก็ไม่ให้เราเข้าเข้าไปหลังจากตอนตอนเช้าแนละ้วถ้าอยากจะถวายของตลอดตอนบ่นายก็ถวายตั้งแต่ตอนเช้าฝากไว้กับลูกศิษย์รับ ถอดฝาไว้กับวัดนะ ว, วัดจะจัดการให้ทีก็ได้อต่ไม่ใช่วัดทุกอย่างจะทังเข้าวัดเวลาไหนก็เข้าได้ถ้าเป็นวัดปฏิบัตินะเขามีเวลาแต่ถ้าเป็นวัดทั่วไปวัดที่อยู่ในเมืองนี่ไม่แ น, นนะ่นเข้าได้ทุกตั้งแต่เช้าถึ ง, ถ, งถึงดึกเลย เ, เปิดตลอด24ใครอยากจะถอยอะไรก็สามารถเข้าได้อันนี้มันเป็นวัดคนละอย่างกันเราก็ต้องไปดูแต่ละวัดว่าเขามีกฎมีระเบียบอย่างไรเดี๋ยวการนึ่งถอยของต่ตางๆ คุณวันเพนครับการเรียนถามว่าการปล่อยวางไม่ปรุงแต่งจิตช่วยให้ไม่กาะภพชาติไหมครับก็ถ้าไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่มีความอยากนะความอยากมันเกิดจากการปรุงแต่งพอปรุงแต่งขึ้นมาก็เกิดความอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็เป็นการไปสร้างภพชาติถ้าเราปรุงแต่งแต่เราไม่เราไม่มีความอยากก็มีเหมือนกันนะอย่างพระอรหันต์ท่านก็ยังปรุงแต่งอยู่จิตของท่านปรุงแต่ง ถ้าคิดไปเนท่ยทำทำถ้าไม่คิดไปในท่ยโลกกรมลงมันอยู่ที่การปรุงแต่งว่าปรุงแต่งไปในทางไหนปรุงแต่งไปในการก่อภพก่อชาติก็มีปรุงแต่งไปในการตัดภพตัดชาติก็มีเช่นถ้าปรุงแต่งคิดไปในการไปทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนานี้ก็เป็นการปรุงแต่งเพื่อตัดภพตัดชาติแต่ถ้าปรุงแต่งเพื่อให้รัดเจริญในลาภยศเสริญสุขแล้นี้ก็เป็นการก่อภพก่อชาติ การถวายผ้ากระถิ่นสามารถจะถวายได้หลายๆผืนไหมครับธรรมาะตามธรรมเนียก็จะถวายผื่อเดียวผ้าขาวผืนเดีย ว, าา ว, ยวแล้วผ้าจะเอาผ้าขาวผืนอนั่ น, นที่เอาไปตัดเย็บซักางยอดให้เสร็จภายในวันเดียวภายในวันนั้นเลยพระเจ้ากำหนดไว้ไม่ให้ยืดเยื้อะงานผ้ากระถินนี่ให้รีดทำให้เสร็จเดียดเพื่อจะได้ไปภาวนาต่อถ้าไม่นั่งร้ายมาติดกับเรื่องการรับทานต่างๆ มันก็จะถอยผืนเดียวผืนพอมาตัดผ้าสมงได้ผ้าขาวผ้านุ่งหรือผ้าสมงถ้าตัดจีวรมันจะใหญ่เกินไปแล้วจะใช้เวลามากอาจจะทําให้เสร็จภายในวันเดียวก็เลยผ้าที่ผ้าชิ้นที่เล็กที่สุดก็คือผ้าสมงศ์ผาสมงก็คือผ้านุ่งที่เป็นท่านล่างเอามาตัดเย็บให้เสร็จภายในในวันนั้นพอรัผ้ากระถิงเสร็จพอเสร็จพิธีผ้าท่านก็ยาวผ้าไปตัดเย็บกัน แล้วก็รัพย้มให้เสร็จภายในในวันนั้นพอเสร็จแล้วก็ต้องมาประชุมกันนะมาร่วมมานุมโมสนาเกี่วกับว่าผ้ากระถินไม่เกิดขึ้นแล้วเราควรจะมอบให้กับใครดีก็จะมีการอุปโภกส่วนใหญก็จะมอบให้กับพระเทระพระผู้ใหญ่ที่สุดพระประธานใท่านได้เป็นผู้ใช้ผ้าผ้าผืนนี้ท่านรับและท่านก็ยานุโมทนาสาธุก็จะเสร็จพิธีกระถินของ อาจารย์ครับกับเรียนถามเรืองการใส่บาทน้องชายลูกเขาติดใส่บาทอุทิศบุญให้แม่แต่ติดตรงที่เขามาเบิกเงินจากส่วนกลางแบบนี้น้องจะได้บุญไหมครับลูกอยากบอกให้น้องเอาเงินของน้องในการซื้ออาหารใส่บาทบ้างสักเล็กน้อยก็ดีกลัวว่าน้องจะไม่ได้บุญเต็มเต็มครับใช่เห ม, มือนไปช่วยคนอื่นเราไม่ได้บุญเลยต้องเป็นเงินของเราเองไปไปช่วยคนอื่นมาทําบุญที่เราไม่ได้บุญนะช่วยคนมาท่ายกับถิ่นเนี่ย เอาไปเอาซองไปแจกเขาแล้วรับรับซองกลับมานี้เราไม่ได้บุญจากการการทอดบริจาคเงินเลยเราจะได้ก็เพียงแต่เป็นสะพานบุญเ ร, เราไปไปเชื้อเชิญให้คนอื่นเขามีโอกาสได้ทาบุญเราเป็นเหมือนแบบผู้รับบุญของเขามาทาแทนเขาอีกทีหนึ่งเวลาที่เขาไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่วัดมาร่วมการทำบุญเราก็เป็นเหมือนสะพานบุญได้บุญอีกแบบหนึง่ง คือบุญที่เกิดจากการทําความเพียรให้เห็นผลให้ผลของการทําบุญปรากฏขึ้นมาการที่ถวายปัจจัยตอนใส่บาตรเป็นการผิดศีลไหมครับและพระพิสุสงฆ์ท่านจะอาบัติไหมครับคือมันเป็นกฎระเบียบว่าไม่ให้ท่านแตะต้องเงินทางด้วยตนเองถ้าอยากจะถวายเงินให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ถ้าไปใส่บาตรก็ถือว่ามันก็มันก็ให้ท่านรับด้วยตนเอง อันนี้ก็จะเป็นเป็นอาบัติก็เป็นเป็นผิดกฎระเบียบหากนั่งสมาธิแล้วตึงตรงหน้าผากมีวิธีแก้ไหมครับแล้วบางทีนั่งสมาธิไปลมมันจะดันเลยตกใจเหมือนจะขาดลมตึงดึ ง, ด ง, ดงลมให้ชัดขึ้นแบบนี้ทําถูกไหมหรือต้องทําเช่นไรครับไม่ถูกหรอกไม่ควรที่จะไปสนใจไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันมันจะลุกเสกอะไรก็ปล่อยมันลุกเสกไปถ้าเราดูลมของเราก็ดูลมไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราบริการพุทธก็อยู่กับคำบริการพุทธไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปการเลือกใส่บาตรเฉพาะกับพระที่เราเลือมใสาา่ศรัทธาจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกทำได้ชอบองค์ไหนเ้าก็ไปทำกภาพรูปนั้นได้คุณดีซีนะครับ จุลละโสดาบันเป็นอย่างไรและจะต้องมาเกิดเกินเจ็ดชาติไหมครับเพิได้ยินวันนี้อาจารย์เป็นยัเไงลองไปคน้นเงินในกลุ่มก็โดนมีหรือเปล่าจุลละโซดาบัน น, นี่มีไหมหมอเคยได้ยินไหมเคยครับอาจารย์ครับเหมือ น, น, <ม>นกับเหมือนกันเป็นโซดาบันต้นๆที่ต้องเกิดอีกหลายๆชาติประมาณนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอาจารย์ครับก็ยังไม่เป็นโสดาบันจริงเลยเขาว่ า, เ, าเป็นโซดาเจริงกำลังเจริญมากาามากกำลังเจริญมากกว่า เหมือนกับผมเท่าที่ปัญญาผมน้อยนะครับอาจารย์แต่เคยอ่านมาว่าเหมือนกับเอเป็นพระโสดาบันก็จะมีแบบเกิดเจ็ดชาติเกิดสามชาติเกิดชาติเดียวอะไรประมาณอย่างนี้ยครับแล้วเขาก็มีชื่อเรียกของพระโสดาบันครับไม่ใช่ไม่ใชาไม่แบ่งเกรดไว้ยนะมีแบ่งเกรดครับอาจารย์เราจะทําอย่างไรได้บ้างครับเพื่อให้ในชีวิตหนึ่งเราได้มีโอกาสได้พบพระอริยสักครั้งหนึ่งครับ ก็มีเยอะแยะไปลองศึกษาดูคนในกูเกิลก็ได้วัดวัดพระรยาในเมืองไทยมีอยู่ที่ไหนบ้างไมันก็มีคําตอบโผลขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูไปกราบไหว้ท่านดูดูว่าท่านเป็นพระรยาจริงหรือไม่ของงานนี้มันพิสูจน์ได้เหมือนทองคำเนาะทองแท้เราก็สามารถไปเอาเอ า, เอาทองไปพิสูจน์ได้ไปไปที่ร้านทองนะก็ช่วยเอาไฟมาเผาดูว่าเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ครับพราแท้ต า, ารีนาก็พิสูจน์ได้ ผมก็ไปมาทั่วแล้วครับจนเจอพระอาจารย์ครับคุณอนุชาครับเราบอกเพื่อให้เขาฝึกพุทธโทเขาไม่ทำเราควรทำยังไงดีครับการสวดมนต์และนั่งสมาธิช่วยให้เราใจเย็นขึ้นเยอะเลยครับมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเราจะบอกเขาทำถ้าเขาไม่ยินดีทำก็มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปไปควรไปบังคับเขาไต่อย่างใด เราแนะนำเขาได้แต่เมื่อแนะนําแล้วเขาไม่ยินดีจะทำตามก็จบตอนนี้ลงทุนในการเทรดขาดทุนเยอะมากต้องวางใจยังไงไม่ให้ทุกข์ครับก็การค้าก็มีกาําไรมีขาดทุนเป็นธรรมดาเหมือนกับเหมือนกับร่างกายมีเกิดการเจ็บตายเป็นธรรมดาก็เราทําใจท่านอย่าไปทุกข์กับมัน ขอให้เสียเสียเสียเด้งเดียวก็พอเสียงกันแล้วอย่ามาเสียใจด้วยอย่าเสียสองเด้งเสียตั้งกันแล้วมันต้องมาเสียใจเสียสองต่อเสียเสียสองเท่าใจที่เราทําให้ใจไม่เสียได้ด้วยการยอมรับความจริงว่าก็มีกําไรบ้างมีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาวันนี้ขาดทุนก็พยายามทําต่อไปอาจจะกําไรในวันพรุ่งนี้ก็ได้คุณโชครับ บอกว่าคาใจครับขอน้องบเบียเบียนถามพระอาจารย์ว่าเราอยู่ระหว่างศึกษาธรรมะอยู่เราจะจําหน่ายสลากรัฐบาลผิดศีลไหมครับไม่ผิดเราก็เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ไปทำเบียดเบียนใครไม่เล่ยทาให้ใครเดือดร้อนเสียหายเพราะคนที่เขาซื้อก็ยินดีซที่จะซื้ อ, อแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าถ้าเป็นโชคของเขาเขาก็จะได้ถูกถูกรางวัลแต่ถ้าเขาไม่ถูกรางวันก็คิดว่าเขาได้ทําบุญ เราเงินของของของก อ, องสลากก็ยาวไปทำบุญต่อใช่ไหมงั้นได้ได้ได้สองอย่างไม่ถูกถก็ได้เออถูกก็ได้ถูกก็ได้รางวัลไม่ถูกก็ได้บุญครับิอย่า <laughs> งนี้ก็ดี <laughs> <laughs> ใส่ตู้ทำบุญชำระนี่สงอย่างนี้เราควรจะทำไหมครับถ้าศรัทธาอยากจะทำบุญแบบนั้นก็ทำได้ ตัววัดเขาก็มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆค่าปฏิกริยาค่ามูลณะซ่อมแซมอะไรต่างๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายยังทางวัาก็เลยมีตู้ไว้ให้บริจาคอางค้งวัดเขาอาจจะเก็บเป็นหี้สงฆ์อย่างเดียวบางว่าเขาก็แยกไปค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆแล้วแต่เราจะศรัทธาจะทําบุญแบบไหนก็ทํามันได้ครับคุณสิริจักครับ เพื่อนยืมสตังไปไม่ยอมคืนเขาจะมีผลกรรมอย่างไรหรือว่าเป็นกรรมเก่าของเราครับอ๋อก็อย่างนั้นก็อาจจะปไปไปไปเป็นเดรัจฉานแนละ้วถ้าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นการการะทําบาปก็อา จ, จะทำทำบาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์จากการทําบาปก็เหมือนเหมือนสัตว์เดรัจฉานตายไปกขาอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อ การมีศี่ห้าทำให้ตัวรู้เกิดง่ายขึ้นไหมครับไม่เราต้องเข้าสมาธิเท่านั้นถึงจะถึงจะเห็นตัวรู้พระสงฆ์ทําอัตตาวิบัติกรรมจะเป็นบาปเหมือนคนอื่นๆไหมครับเหมือนกันฆ่าตัวตายเนี่ยไหมอัตตาเรนเนี่ยบาปกรรครับผมการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าใครก็บาปทั้งนั้นฆ่าตัวเราเองฆ่าคนอื่นก็บาปฆ่าด้วยความการุณยการุญฆ่าก็บาป บาทนนั้เวลาใส่บาทไม่เคยกรวดน้ําแต่เวลาใส่เรานึกถึงพ่อพ่อจะได้รับไหมครับก็ต้อ ง, งต้องอุทิศบุญเนี่ยต้องไม่ว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับคุณพ่อที่ลงรับไปแล้วเขาก็จะได้รับถ้าเขารอรับอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้รอรับอยู่เขาก็ไม่ได้รับบุญนั้นก็จะก็จะกลับมาหาเราให้ของเราต่อไปคุณจันทาวันโนครับ รายงานผลการปฏิบัตินะครับกับผมได้มาปฏิบัติในที่วิเวกน่ากลัวคนเดียวอีกครั้งก่อนออกพรรษาปฏิบัติตลอดคืนสองคืนครับมีได้ยินเสียงเดินเสียงเดินรอบก็มีอาการกลัวแต่ไม่มากครับและได้นําไตลักษณ์ที่พระอาจารย์สอนมาใช้เอาอยู่ครับอยู่ได้แบบสุขสบายดีน้องกับพระอาจารย์ครับท้าเจ้าท้อนุโมทนาด้วยต้องปฏิบัติถึงจะรู้ว่าดับความทุกข์ใจของเราได้ไหรือไม่ เป็นปัญญาจริงหรือไม่ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังกันตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าไปเอาไปดับความทุกข์ได้หรือไม่เพราะตอนนี้ใจเรายังไม่ทุกข์อยู่ล้องลองไปทดสอบดูถ้าเห็นพระตากฝนเราจะถวายร่มที่เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเหลืองได้ไหมครับได้ไม่มีข้อห้าม ตั้งแต่ฝึกนั่งสมาธิมาปกาติก็จะมีแต่ความสงบนิ่งและมีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิเหมือนตกวูบจากที่สูงแล้วก็นิ่งสงบมากๆแต่แค่ไม่นานนะครับหลังจากนั้นมาก็พยายามเพียนเพื่อให้เกิดสมาธิแบบนั้นอีกแต่ตั้งใจอย่างไรก็ได้แต่ความสงบพยายามเพียนเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกอีกทีก็ไม่เป็นผลขอวิธีที่จะทำให้เกิดความสมาธิสงบสุขมากๆอีกครั้งครับก็ทาแบบเดิมทาแบบอย่าไปเกงอย่าไปรุนกับความสงบแบบนั้น ให้เรอยู่ที่เหตุคือการจเจริญสติของเราไปเรื่อยๆเมื่ อ, อการที่เราสงบครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมันอย่างไรเราก็ทําสมาธิของเราแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้เรื่องของผลให้อยู่กับเหตุถ้าดูลมก็ดูลมไปพูดโทก็พูดโทไปส่วนมันจะตกลงมาจากที่สูงหรือไม่น่เราอย่าไปคาดอย่าไปคิดถึงมันเพราะการคาการคิดถึงมันมันจะทําให้ไม่เกิดต้องอย่าไปคิดถึงมัน ให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปแล้วไม่รู้ไม่ชี้ไปว่ามันจะเกิดก็ไม่เกิดไม่สาคัญขอให้เราอยู่กับเหตุถ้าเหตุมันไม่บกพร่องเราเดี๋ยวผลมันก็จะตามมาบางคนบอกว่าจะ ก, กำหนดลมอย่างเดียวจะได้แค่สมาธิแต่ไม่ได้วิปัสสนาคืออย่างไรครับการดูลมหายใจนี้ก็เป็นการหยุดหยุดใจหยุดความที่ให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิไม่ใช่วิปัสสนา มิปัจฉานี้ต้องศึกษาเรื่องตายลเรื่องอริยสัจสีตงนี้เป็นมิปัสนาขึ้นมาคุณวันนภาครับก่อนตายถ้าเราไม่มีสติเพราะมอร์ฟีนเราจะไปอบายไหมครับน่า แ, แต่บุญกับบาป ท, ที่เราทำว่าอันไหนมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าก็ไปอบายถ้าบุญมากกว่าก็ไปสวรรค์ถ้าบุญกับบาปเท่ากันก็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อ ทำบุญโดยการโอนเงินได้บุญไหมครับได้ได้เหมือนกันเหมือนกับเอาเงินไปใส่ใส่บาอะไ เ, เงินไปถวายวัดที่วัดเองสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีมีวิธีการที่จะทำบุญโดยที่ไม่ต้วองเราเองไม่ต้องไปก็ได้ทางวัดเขาก็มีหมา ย, ยบัญชีแล้วก็โอนเข้าบัญชีไปทางวัดต้องการจะเบิกเงินก็ไปเบิกจากจากธนาคารได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ หากเราดื่มเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ 0% ผิดศีลไหมครับถ้าไม่มีมัมไม่ผิดศีลถ้ามันถ้ามันไม่มีแอลกอฮอล์มันก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นเครื่องดื่มไม่ถือว่าเป็นสุราคุณจอยส์ครับการที่มีคนไม่ชอบเราโดยไม่มีเหตุผลพยายามทำดีกับเขาเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ชอบเราใช่เจ้ากรรมนายเวรของเราไหมครับพยายามสกเพศิสตาเสมอครับ ก็แล้วแต่เขาแล้วเขาอาจจะไม่ชอบเราด้วยสาเหตุอย่างอันใดอันหนึ่งเราก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่ชอบหน้าตาเราแบบนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ีเวรมีกลัมกันมากนะงั้นมันแล้วแต่ข้อสาคัญทีงเขาให้เรารู้แล้วเราเฉยๆได้เฉยๆไปก็หมดเร็วเวลานอนหลับได้ยินเสียงผู้ชายมาบอกว่าหัวใจพระพุทธเจ้าอยู่ข้างซ้าย หมายถึงอะไรต้องปฏิบัติอย่างไรครับ่างนีเราไม่รู้หลัก ค, ค, คนเป็นคนเป็นฝันเอง้วคนมาถามเราได้ไง ค, คุณวิราดาครับถ้ามีผู้ที่พูดถึงเราในทางไม่ดีซึ่งไม่เป็นความจริงทำให้คนอื่นรู้สึกต่อเราไม่ดีเราควรทำอย่างไรครับเราห้ามก็ได้หรือเปล่าถ้าห้ามได้ก็ไปห้ามเนาะห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยก็พูดไปเรวก็ทาใจของเราไปทาใจเฉยๆไป มีเพื่อนที่ฐานะดีแล้วชวนเขาทําบุญแต่เขาไปตําหนิเรากับเพื่อนอีกคนว่าเราเอาเงินไปทําแต่บุญควรจะวางใจอย่างไรดีครับก็ทําใจเฉยๆไปก็จะพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็ทําในสิ่งที่มันถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําต่อไปคุณวชิรฤทธิ์ครับบางคนเกิดมาเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่เด็กจนโตเพราะทําบุญแบบใดครับ วชาติก่อนเคยมีสินทำเคยทํามุลมาเป็น ari, นิสัยพอมาเกิดชาตินี้ก็มาทําต่อเหมือนกับชาติก่อนเราเคยชอบสีเขียวเราก็จะกลับมาชาตินี้เราก็จะมาชอบสีเขียวต่อชาติก่อนเราเราเก่งทางด้านกีฬาชาตินี้เราก็จะมาเกิดเป็นมาเก่งทางด้านกีฬาถ้าชาติก่อนเราเก่งทางด้านดนตรีชาตินี้เรามาเกิดเราก็จะมาเก่งทางด้านด น, นตรีทัรื่อง น, นี้นนนมันติดมากับใจมันไม่ได้พอยู่ที่หน้านกาย สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคําว่าสังขารในที่นี้หมายถึงอะไรครับสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งเช่นปรุงแต่งด้วยดนด้วยธาตุสีมารวมผสมกันเหมือนกับข้าวเนี่ยข้าวนีกวน่ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งมีมีผัดมีเนื้อมีอะไรต่างๆมาผสมกันก็ทําให้เป็นข้าวขึ้นมาร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เกิดจากการผสมของธาตุสีในน้ำนมไป เมื่อมีการประสมปรุงแต่งมันก็จะมีการแยกแยกตัวออกจากกันไม่วันใดวันหนึ่งร่างกายก็จะแยกออกถ้าสีที่มนันลบตัวมันก็จะแยกออกจากร่างกายไปร่างกายก็จะหายไปอะไรก็ตามที่มีการปรุงแต่งขึ้นมามันก็จะต้องมีการมีการจเจริญแล้วก็ต้องมีการเสรื่อมเป็นธรรมดาคุณขณิ t ฐาครับ ได้พยายามรักษาศีลมาตลอดแต่วันนี้ได้ผิดศีลข้อหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจควรจะวางใจอย่างไรครับก็สอนเราว่าเรามันเป็นเรื่องปกติคนเราทุกคนมันมีการผิดพลาดได้มีการเผลอเลยได้4ีเท้ายังรู้พลาดนักบาวยังรู้พลาดขอให้ยอมให้เรายอมรับความผิดแล้วก็พยายามปรปับปรุงแก้ไขต่อไปนั่นเองมันมันผ่านไปแล้วเราห้ามมันไม่ได้นะ แต่พยายามอย่าไปทำให้มันเกิดขึ้นอีกกแล้วกันวิญญาณกับจิตตัวเดียวกันหรือเปล่าครับคือจิตมีสองชื่อขณะที่มีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตในขณะที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกเปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณอไรตัวเดียวกันอุดอุบลทิพย์ครับ ถามผ่านคุณหมอการแยกกายแยกจิตต้องปฏิบัติถึงขั้นไหนเวลาเราปวดเกรงตะคิวจะสามารถนำ ม, มากําหนดได้อย่างไรครับอายุหกสิบเก้าแล้วครับเป็นบ่อยมากครับคือถ้าเป็นอาการทางร่างกายเน่ยเราก็ต้องรักษาเหมือนถ้ารักษาได้ก็รักษานไปถ้ารักษาไม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์เราก็ต้องทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วปล่อยให้เป็นตะคิวไป ให้มันหายเองมันเกิดขึ้นเองเดี๋ยวมันก็หาเองไม่หายก็อยู่กับมันไปต้องใช้สติสมาธิถึงจะสามารถแยากกายแล้วแยกกินออกจากกายได้เวลาเราใส่บาตรพระท่านทักอาหารที่เราใส่ว่าน่ารับประทานแบบนี้ได้ไหมครับไม่ควรครับถ้าไม่ควรพูดเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นักตรายาโยมก็ไม่ควรพูดว่าอาหารนั้นนี่มี มีเป็ดมีไก่มีอะไรนะไม่ต้องไปบอกเมนูกับพระหรอกว่ามันเป็นเรื่องการกระตุ้นเรื่องกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นมากกว่าพราต้องพระต้องสันโดษยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินที่พูดแบบนี้มันเปนพวกแบบพวกอยู่เพื่อกินอย่างนั้นวันนี้จะกินอะไรดีอร่อยไหมอาหารชนิดนี้ชนิดนั้นไม่ควรพูดไม่ควรพูดเพื่อส่งเสริมเรื่องการเรื่องกิเลส คุณวอวิลีครับเวลานั่งสมาธิเราจะมุ่งไปที่คำว่าพุโทโธในใจโดยไม่ได้ใส่ใจกับลมหายใจเหมือนจะลืมว่าจะต้องหายใจทําให้แหยใจน้อยลงออกซิเจนที่นาฬิกาบอกว่าต่ํากว่าเกณฑ์แต่ก็ยังนั่งต่อไปได้แบบนี้ไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าไปดูนาฬิกาก็ไม่ถูกต้องนั่งสมาธินี้ไม่ให้ไม่ให้ไปดูอะไรเลยถ้าจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวถ้าจะพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสังเกตว่า ออกซิเสมมากหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนนยนั่น ง, งไปสักพักเดี๋ยวคอยเช็คดูอยูเรื่องแล้วดั บ, บออกนี้ไปเรียนว่านั่งสมาธิเียนว่านั่งดูออกซิเจนครับแล้วคนี่จะไม่เกิดคำถามสุดท้ายครับเจองูกําลังกินคางคกควรจะช่วยคางคกให้รอดแล้วปล่อยให้งูอดไหมครับถ้าเราเป็นคางเคาเราจ ะ, ะว่ายอย่างไรนะ่ะ อชีวิตชีวิตกับการหอดข้าวไหนมันรุนแรงกว่ากันการเสียชีวิตกับการอดข้าวงูมันอดข้าวมันอย่างนี้มันก็ไม่ตายเดี๋ยวมันก็ไปหากินใหม่ได้แต่คางเคามันตายนะเราอยากจะให้เราชีวิตเราตายหรือเปล่าถ้าเราเป็นคางครรบเนี่ยคักแต่ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราไปยุ่งเดี๋ยวเราทงงูกันแล้วก็อุเบกขาไปก็ปล่อยให้เป็นตามบุญตักกรรมของเขาไปแล้วแต่เราแล้วแต่เรา ไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ผิดตรงไหนถ้าเราคิดว่าเราทําแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับเราเราก็ไม่ไม่กล้าทําก็ปล่อยเข้าไปปล่อยก็อาจจะเป็นกรรมของของคําคงที่มันจะต้องตายมันอาจจะเป็นอาหารโอชาของหงูก็ได้มันเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราช่วยได้อย่างที่คิดว่าช่วยได้ทําให้แยกออกจากกันได้แล้วก็ช่วยกันไปอาจารย์ครับวันนี้มี เพื่อนในเฟซฟังอยู่เจ็ด้อยแปดสิบครับในยูหกร้อยเก้าเก้าในคลับแปดในติ๊กตอกสี่ร้อยเก้าสิบรวมมีเพื่อนเพื่อนฟังทำด้วยกันหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนนะครับแล้วก็เริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สนาฬกาสิบเอ็ดนาทีพระอาจารย์ตอบไปเก้าสิบคำถามครับอันนี้น้อยหน่อยแต่ก็คนที่ติดตามก็ยังพอสมควรอยู่นะถึงแม่ว่าจะมีมีปัญหาเรื่องเทคนิคนในการสื่อสาร ก็ดีเพราะแสดงว่ายังมีแฟนที่มั่นคงอยู่ติดตามอยู่อย่างต่อเ น, นื่องก็ยังดีกับทุกท่านที่ร่วมมาฟังธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไว้มากก็ น, น้อยเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้กับการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปก า, าการสนทนาการสนทาสําหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติแล้วความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด สาทุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องกันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเช่ในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ